บทที่หนึ่งร้อยสี่หมอดารินคืนสติก่อนใครอื่นทั้งสิน้นกระชากไหลบุญคำออกมาก้มลงพิจารณาที่ข้อเท้าแงซทรายด้วยดวงตาอันเบิกโพลงแล้วกัดเรีมฝีปากแน่นเชษฐากับช ย, ยันก็หลุดปากออกมาเกือบเป็นเสียงตะโกนพร้อมกันว่าอะไรน้อยรอยเขี้ยวของสัตว์เลื้อยคลานกับพี่ใหญ่แพทย์สาวตอบเกือบไม่มีเสียง ใช้มือทั้งสองเค้นบีบบริเวณปากแผลเล็กๆที่ปรากฏอยู่บนข้อเท้าด้านบนนั้นขัดเอาเลือดสีดำคล้ำไหลซึมออกมาจากบาดแผลได้เพียงเล็กน้อยท่านหัวหน้าคณะกับช ย, ยันพุ่งเข้ามาล้อมดูอย่างร้อนรนจนศีรษะแทบจะชนกันแล้วก็เห็นชัดกับตามันเป็นรอยเขี้ยวสองเขี้ยวขยํำขบเข้าหากันทะลุผิวฝังเข้าไปในเนื้อ บาดแผลแต่ละเขี้ยวมีขนาดเท่าก้านไม้ขีดแต่ดูท่าไม่ลึกอะไรนะักระยะห่างระหว่างเขี้ยวต่อเขี้ยวประมาณสองเซนบริเวณปากแผลห่างออกไปรอบด้านในรัศมีสามนิ้วเป็นจำเขียวเกือบจะดำลักษณะเป็นแว่นกลมไม่ใช่งูแต่มันร้ายยิ่งกว่างูเสียงเครือของบุญคำ ดังแววมาจากเบื้องหลังของคณะเจ้านายที่กำลังมุงจ้องอยู่ในขณะนี้ถ้างั้นมันเป็นอะไรบอกแด้บุญคำชยันหันขวับตะโกนลั่นแมงมุมนายทหารแมงมุมดำสิ่งที่ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอดารินคาดหวังไว้แต่แรกผันแปรไปสิ้นทั้งหมดเข้าใจแต่เพียงว่าแง่าสสรปหรือหมดสติไป พระสภาพอันกรากรามของร่างกายทำให้อ่อนพลียมุดสิ้นกำลังซึ่งพอจะแก้ไขเยียวยาให้คืนสติรู้สึกตัวขึ้นมาได้โดยไม่เหลือบ่ากว่าแรงสติปัญญาความรู้ความสามารถในทางแพทย์ของดารินนะักการตรวจร่างกายของแง่สายเมื่อพบครั้งแรกแพทย์สาวเองก็ค้นไม่พบความผิดสังเกตหรือเฉลียวคิดในด้านอื่นใดทั้งสิน้นมัวแต่เข้าใจเป็นอย่างหนึ่ง มันเพิ่งจะมาปรากฏชัดคนพบกันได้เดี๋ยวนี้เองว่าวิกฤตการณ์ในชีวิตของแง่ทรายมันมีต้นเหตุมาจากอะไรจากบาดแผลที่เห็นทุกคนรู้ได้ทันทีว่าสัตว์ลื้อคลานอะไรประเภทหนึง่งกัดและปล่อยพิษอันร้ายกาจของมันเข้าไปในร่างกายของแง่ทรายและแน่ละมันคงจะเป็นเวลาในขณะที่จอมพเนจรนั่งหลับไม่รู้สึกตัวอยู่นั่นเอง อำนาจน้ำพิษที่แทรกซึมเข้าไปในเส้นเลือดและประสาททุกส่วนสะกดเขาให้ตกอยู่ในภาวะหลับอย่างชนิดหวังยากว่าจะมีโอกาสตื่นขึ้นมาได้อีกแล้วและไอสัตว์ชนิดนั้นทุกคนก็ได้ยินหลุดปากออกมาจากบุญคำว่ามันคือแมงมุมดำซึ่งยังไม่มีใครสามารถเข้าใจได้แน่ชัดว่ามันคืออะไรแน่ท่ามกลางความตื่นตะลึงไม่สามารถจะตัดสินอย่างไรได้ถูก กันมัดเหนือปากแผลไว้ก่อนชา ย, ยันวุวายระล่ำระลักขึ้นกระชากผ้าขาวมาที่โพกสีรษบบุญคำออกมาอย่างรีบด่วนแต่หมอดารินเอามือกั้นไว้สั่นสีสักใบหน้าของหล่อนซีดเผือดและดวงตาทั้งคู่แดงเรื่อแห้งผ่านไม่มีประโยชน์หรอกชา ย, ยันช้าไปมากแล้วสำหรับการที่จะทำเช่นนั้นอยากบาดแผลที่เห็นอยู่นี่ แง่ทรายถูกมันกัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสองสามชั่วโมงและป่านนี้พิษของมันก็กระจายแทรกซึมไปทั่วแล้วฉันไม่ทันสังเกตเห็นแต่แรกนึกไปไม่ถึงทั้งๆ ท, ที่รู้สึกอยู่เหมือนกันว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติในอาการของเขาเสียงของหลอนเหืดหายไปในลำคอด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกคอตกวางเข็มฉีดยาในมือลงอย่างทอดอะไร สิ้นหวังเซรุ่มน้อยเซรุ่มมันอาจจะช่วยอะไรขึ้นได้บ้างนะมารีร้องเร็วปรือเหมือนจะปลุกเตือนสติให้หมอดารินผู้บัตดนี้ตะลึงทำอะไรไม่ถูกได้ลงมือดำเนินการอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งพร้อมกับเขย่าแขนเพื่อนสาวโดยแรงทุกคนที่มุงล้อมอยู่ขนาดนี้นิ่งขึงกันไปหมดเธอไม่รู้ดีไปกว่าฉันหรอกเมย์ หมอดารินพูดแผ่วเบาเกือบไม่ได้ยินเสียงเซรุ่มนะมีประโยชน์แน่แต่ต้องหมายถึงว่าถูกกับประเภทของพิษแล้วก็ต้องทันเวลาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้สายมาจนกระทั่งบัดนี้นอกจากเราจะไม่รู้ว่าพิษของมันเป็นประเภทไหนแล้วเรายังมาพบเขาช้าเกินไประยะสองสามชั่วโมงนับแต่เวลาที่เขาถูกกัดไม่ได้มีการปฐมพยาบาล มัดปากแผลกั้นพิษมันไว้ก่อนรอให้แทรกซึมไปในระบบเส้นเลือดและประสาทให้จนเต็มที่แล้วจะมาแก้ไขกันเดี๋ยวนี้ได้ยังไงบุญคำน่าจะพูดถูกแล้วต่อให้หมอเทวดาก็ช่วยไม่ได้ระพินเฉถาร้องเรียกเสียงลั่นขึ้นพร้อมกับเหลียวมองหาพรานใหญ่ ทั้งหมดจึงเพ่งหันหน้ามาสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองว่ายมพรานไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยเขาจะหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบได้แต่ขณะนี้กำลังเดินด้อมๆ ม, ม, มองๆ อ, อ, อยู่ตรงบริเวณโคลนต้นเสลียงที่แง่ทรายนั่งพิงหมดสติอยู่ก่อนที่จะถูกหามออกมาวางในที่โลกหัวหน้าคณะเพ่นตรงเข้าไปสมทบทันทีและคนอื่นๆเว้นจากดารินเพียงคนเดียวซึ่งนั่งซึมก้มหน้าอยู่ข้างๆร่างของแง่ทราย ก็พากันพรูเข้าไปที่เขาด้วยเมื่อเชษฐาชัยยันวิ่งเข้ามาถึงพรานใหญ่ไม่ได้พูดคำใดทั้งสิน้นแต่ใช้กิ่งไม้เล็กๆยาวประมาณเม็ดเศษที่ถืออยู่ในมือชี้ไปที่ปากโพรงของอะไรชนิดหนึ่งลักษณะเป็นรูวงกลมดิกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหกนิ้วเจาะชอนเป็นรูดำมืดเข้าไปในพื้นดินตรงบริเวณพูต้นเสลียงปากทางเข้า รูซึ่งเป็นดินอ่อนซุยร่วนมีรอยตีนของสัตว์ประเภทคล้ายๆปูหรือแมลงอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันไปย่ำไว้เป็นแนวทางยาวๆทุกคนจ้องตามเสียงพวกพรานพื้นเมืองอุทานอะไรแซดอยู่ในลำคอส่วนเชษฐถาชายันและมาเรียได้แต่จ้องตะลึงงงรู้อะไรชยันร้องออกมาเหมือนแจ๊กตื่นไฟ อาการของเขาในขณะนี้กระสับกระส่ายรุ่มร้อนเต็มไปไมได้วยความตื่นระหนกต่อเหตุการณ์จนไม่สามารถจะระงับอยู่ก้อยตัวที่ทำให้แง่ทรายหลับไม่ยอมตื่นอยู่ในคันในนี้แหะครับเพราะร้ายจริงๆแง่ทรายมันนั่งหลับขวางปากทางมันเข้าอดีครับระพินตอบเสียงแหบแห้งแยกเขี้ยวหรี่ตาลงตัวมเป็นยังไงงูหรือว่าอะไร เชษฐาถามเร็วปรือไม่ใช่งูหรอกครับก็อย่างที่บุญคำบอกมัตตะกี้เนี่ยแหละครับมันเป็นแมงมุมดงชนิดหนึ่งตัวดำสนิทมีขนรุงรังมีขาเพียงหกขามฤตยูที่มาโดยไม่รู้ตัวของนักเดินป่าในแถบรุ่มน้ำสารวันสารวินนี่ทีเดียวครับพิษของมันนะเหมือนกางูแมวเซากัดพร้อมกันสักสิบตัวตามปกติแล้วก็จะไม่ไล่กัดใคร ยกเว้นแต่จะไปกระทบตัวหรือเผลอเดินไปเหยียบมันเข้าและจะดูเป็นพิเศษในเวลาออกไข่เข้าในรูตอนค่ำออกหากินในเวลากลางวันตัวขนาดปูทะเลย่อมๆสันนิษฐานว่ามันคงจะออกจากรูเพื่อหากินในตอนเช้าพอดีพบแง่ทรายนั่งหลับขวางปากทางเข้าออกเลยเล่นงานเข้าให้ผมยังทายไม่ถูกเหมือนกันว่าตอนนี้น่ะมันกลับลงรูไปแล้วหรือว่าออกไปหาเหยือ่อ แมงมุมดำ black widow เหรอมาเรียอุทานลั่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นพันธุ์ black widow หรือไม่แต่มันก็เป็นแมงมุมป่าชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายกาดที่สุดมีชุกชุมอยู่เฉพาะแถบสารวินตอนเหนือเหนือเนี่ยผมเองยังไม่เคยเห็น black widow แต่รู้จักไอ้มหาการหกขาในโดงแถบนี้ดีชาวป่าในแถบนี้ก็รู้จักรู้พิษสงมันดีทุกคน สัตว์หรือคนที่ถูกกัดจะไม่มีอาการเจ็บปวดทุรนทุรายใดๆเลยผิดกับพิษชนิดอื่นๆแต่จะง่วงซึมและพลอยหลับค่อยๆตายไปในเวลาเพียงไม่เกิน12ชั่วโมงระพินพูดเร็วปือถ้างั้นก็แปลว่าแงซายถูกมันกัดในขณะที่นั่งหลับอยู่โดยไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็หลับตลอดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ใช่ไหมก็เข้าใจว่าคงเป็นเช่นนั้นลครับ สังเกตดูจากท่าที่นั่งหลับอย่างสบายไม่มีอาการกระสับกระส่ายดิ้นรนอะไรเลยตอนที่เรามาพบครั้งแรกแล้วจะทำกันยังไงล่ะเนี่ยไพวันตัดสินใจเร็วสิน้อยเขาหมดหวังแล้วเขาบอกว่าเซรุ่มไม่มีทางช่วยอะไรได้มาเรียพูดระลําละละักระพินไพวันเองบัดนี้ก็หมุนคว้างยังทําอะไรไม่ถูกขณะนั้นเชษฐาหันไปตะโกนร้องเรียกน้องสาวอย่างรีบด่วน ดารินดูเหมือนจะรู้สึกตัวจากภาวะนิ่งซึมขึ้นอีกครั้งวิ่งเข้ามาหาสมทบกับพักพวกซึ่งพากันยืนมุงอยู่ที่โคลเสลียงอันเป็นตำแหน่งที่แง่ทายนั่งหลับอยู่แต่แรกและหล่อนก็ได้รับคำอธิบายให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเกี่ยวกับเจ้าแมลงพิษร้ายที่กัดแง่ทายอำนาจพิษของมันและระยะเวลาของการทำลายระหว่างที่มาเรียกระเชิาช่วยกันอธิบายให้หมอดารินทราบ ระพินหันไปตะโกนสั่งคนของเขาให้จัดการต้นไม้มาทำแคร่โดยเร็วพวกนั้นกระจายกันออกไปอย่างรีบด่วนแข่งกับเวลาทุกคนกำลังอยู่ในความฉุกเฉินร้อนใจเต็มที่และพรานใหญ่ก็ปราดข้ามาที่ดารินแน่ใจไหมครับว่หัวใจยังทำงานอยู่อ่อนเต็มทีแล้วละ่ะแทบจะจับฟังไม่ได้ทีเดียวมันอาจจะหยุดลงในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได้ คุณหญิงครับสิ่งแรกที่ผมต้องการให้คุณหญิงทําในขณะ น, นี้คือหาวิธีใดวิธีหนึ่งในทางการแพทย์ของคุณหญิงอย่าเพิ่งให้หัวใจหยุดซะก่อนตระ ว, วิงเวลาไว้ให้ น, นานที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ได้ไหมครับมันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะพินในการเลี้ยงหัวใจให้เต้นต่อไปในเมื่อร่างกายส่วนอื่นๆตายหมดแล้วเช่นขณะ น, นี้ยิ่งกระตุ้นให้หัวใจทํางานเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเท่ากับเร่งพิษ ให้ทำลายเร็วขึ้นเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คือคุณเจ็บขาดออกซิเจนแล้วเพราะหายใจด้วยตัวเองน้อยเต็มทีหรือจะพูดให้ตรงว่าไม่หายใจก็ได้ความเห็นในทางแพทย์ของฉันบอกได้ว่าอีกเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างช้าเขาจะตายอย่างสนิทไม่ต้องรอให้ครบสิบสองชั่วโมงตามที่คุณว่านั่นหรอกโปรดฟังผมนะครับคุณหญิงผมไม่ใช่แพทย์ก็จริง แล้วก็ในเรื่องเหตุผลทางแพทย์มียังไงผมก็ไม่ทราบหรอกแต่กรุณาทาตามที่ผมบอกก่อนเชื่อผมสักครั้งเถอะครับคืออย่าเพิ่งให้หัวใจหยุดเต้นซะ ก, ก่อนในขณะนี้มิฉะนั้นเราจะไม่มีโอกาสอีกแล้วครับอ๋อนี่คุณคิดว่ายังมีโอกาสอีกเหรอดารินตะโกนใส่หน้าเขาในตาแดงก่าเต็มไปด้วยประกายร้าวราวขุ่นแค้นน้อยใจน้าตาคลอหน่วย พราะคุณคนเดียวใช่ไหมฉันบอกแล้วให้ออกมาตามแง่สายซะตั้งแต่เมื่อคืนคุณก็แกล้งทวงเวลาอยู่จนกระทั่งสายไอตัวมหาการนั้นมันโผล่มาจากรูของมันในตอนเช้าก่อนที่เราจะมาถึงมันก็เลยทำร้ายเขาเพราะมันนั่งหมดสติอยู่ปากรูของมันพอดีนี่นถ้าทุกคนเชื่อฉันรีบม า, าตัวเข้าไปสักก่อนที่เขาจะถูกแมงมุมนั่นดังกลับนี่คราวนี้มันสาใจคุณหรือยังล่ะเนี่ย แง่ส า, ายไม่มีทางรอดหรอกไม่ต้องห่วงแผนที่เดินทางของคุณก็ได้คืนมาแล้วนี่อย่าไปกังวลทำไมกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่คุณก็ไม่ชอบหน้าอยู่แล้วคนใจร้ายอ่ไม่เหิ้ที่สุดรนบริาพาสเขาสุดแรงโกรธระพินไัยวันตะลึงงงไปวิบตาหนึ่งครั้นได้สติเขาไม่ได้โต้ตอบคำใดทั้งสิน้นแต่ถอยห่างจากหลอนออกมาโดยเร็ว ดารินยืนกัดริมฝีปากจ้องตามหลังไปเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแต่แล้วบัตรนั่นเองเชษฐาก็ทะลันพรวดเข้ามากระชากแขนน้องสาวลากไปที่ร่างอันหมดสติของแง่ทรายพูดเฉียบขาดว่าทำตามที่พรานใหญ่สั่งน้อยน้ำเสียงและสีหน้าของพี่ชายทำให้หมอดารินไม่อาจกล่าวคำใดได้อีกแม้จะฝืนความ ร, รู้สึกสักเพียงใด แค่าสาวหันเข้ามาหายหีบเครื่องเวชพันฑ์ของหล่อนอีกครั้งด้วยความรู้สึกอันประชดชัยันและมาเรียก็กระโดดเข้ามาล้อมดูอยู่ด้วยครู่เดียวจอมพรานก็เดินตรงเข้ามาพร้อมกับพวกพรานพื้นเมืองทั้งชุดซึ่งบัดนี้หามแคร่ไม้ซึ่งต่อกันขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเข้ามาด้วยเราจะเอาแงสาสกลับที่พักโดยเร็วที่สุดครับเขาบอกทุกคนสีหน้างเงียบขรึมตายด้าน ยากจะอ่านความรู้สึกได้ดารินเงยขึ้นมองหน้าแวบบเดียวก็เมินไปซะทางหนึ่งยางหมางใจพูดลอยๆว่าหนักห ร, รือเปล่าความจริงฝังเขาไว้ที่นี่ก็ได้จะต้องแบกกลับไปทําไมเสียเวลาไม่มีใครสนใจกระถ้อยคําของหมอดารินซึ่งกำลังเต็มไปด้วยอารมณ์เชษฐากรชยยันเองแม้จะเต็มไปด้วยความสงสัยก็ไม่เอ่ยอะไรออกมาในขณะนั้น รพินสั่งคนของเขาในทันทีนั้นขยินกับเกิดก้าวเข้ามาคนนึงช้อนทางด้านศีรษะของคนเจ็บอีกคนนึงหิ้วด้านปลายตีนหามขึ้นวางบนแคร่แล้วยกขึ้นหิ้วออกเดินนําลิ้วไปในทันทีเสียงจอมพรานตะโกนสั่งความให้พวกนั้นแบกหามแคร่คนเจ็บไปด้วยความประมัดระวังและเร่งฝีเท้าที่สุดแล้วเขาก็หันมาบอกกับคณะนายจ้างที่ยังพากันยืนรวมกลุ่มกันอยู่ ไปกันเถอะครับพูดแค่นั้นโดยไม่หันกลับมาดูอีกเลยว่าใครจะเคลื่อนไหวหรือไม่ระพินไพรวันก็ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบแล้วออกเดินตามกลุ่มพรานพื้นเมืองที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วคณะนายจ้างไหวตัวออกเดินตามดารินยังยืนนิ่งอยู่กับที่แต่แล้วก็ต้องไปด้วยเมื่อชัยันฉุดแขนทำใจเย็นๆไว้น้อย อย่าเพิ่งประนามด่าว่าอะไรเขานักสิระพินอาจมีวิธีช่วยแงซ า, าให้ฟื้นขึ้นมาได้นะฮดารินทำเสียงหนักๆในลำคอไม่พูดอะไรทั้งสิน้นแล้วทั้งสี่คนก็เดินตามมาทันจอมพรานผู้พรฝีเท้าเหมือนจะรอคอยเชิดถาสาวเท้าไล่เข้าไปจนเดินเคียงกันระพินครับผมพอมีทางเหรอเสียงของท่านหัวหน้าคณะเกือบจะเป็นกระซิบ ก็ได้รับคำตอบจากสีหน้าตายด้านนั้นว่ามีครับถ้าหัวใจไม่หยุดซะก่อนหมอทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างน้อยและหมอผีไสยศาสตร์อย่างบุญคำก็บอกเป็นเสียงเดียวกันหมดแล้วนี่ว่าหมดหวังครับแต่หมองูหมอผู้ชำนาญในพิษร้ายของสัตว์ทุกชนิดยังไม่ได้บอกเช่นนั้นนะครับท่านหัวหน้าคณะลืมตาโพลหันขวับยองหน้า หมายความว่ายังไงผู้กองคุณชายลืมซะแล้วเหรอครับสถานการณ์ร้ายขีดสุดชนิดนี้มันเคยเกิดขึ้นกับพวกเราคนหนึ่งมาก่อนแล้วครั้งนั้นพวกเราทุกคนรวมทั้งคุณหญิงผู้เป็นแพทย์เองก็เชื่อว่าสิ้นหวังแล้วแต่แล้วในที่สุดใครคนนึงก็สามารถแก้ไขพวกเราให้กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้โอ้เฉิดาร้องเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้อย่างฉับพลันนั้น พูดต่อมาเร็วหรือนี่คุณหมายถึงเมื่อตอนที่ชายันถูกตะขับดงกับครั้งนั้นละกระมังครับแล้วก็สั่งตาเป็นคนแก้ได้ตกทำให้ชายันฟื้นขึ้นมาได้คุณพระช่วยนี่คุณหมายถึงสา่งตาเหรอที่จะช่วยแงซทายได้ครับเมื่อคุณหมอดารินแก้ไม่ตกเมื่อตาบุญคำช่วยไม่ได้เมื่อขยิ่งจนปัญญา ก็เห็นจะเหลืออยู่คนเดียวเท่านั้นล่ะครับจะสั่งปลาขี้ลิงของเมย์คนนั้นรบพินอะไรทำให้คุณแน่ใจเชื่อมั่นถึงเพียงนั้นสุภาพบุรุษในราชสกุลผู้เป็นนายจ้างน้ำเสียงเต็ไมไปด้วยความกระตือรือร้นตื่นเต้นแทรกซ้อนขึ้นในความรู้สึกอันทอดอะไรสิ้นหวังทั้งหมดขณะนั้นทั้งสองเดินเคียงคู่พูดกันพอได้ยินสองต่อสองชยันมาเรียและดาริน เดินทอดระยะเว้นห่างออกไปเบื้องหลังไม่มีใครรู้จักสั่งป่าดีไปกว่าผมหรอกครับแม้แต่เมผู้เป็นนายของมันเองในด้านการล่าหรือใช้อาวุธเพื่อล่าชีวิตของเราเราอาจฝากไว้กับมันไม่ได้ถึงการเดินป่าก็อย่าเชื่อว่ามันจะไม่พาหลงถ้าสภาพของป่าลึกลับซับซ้อนโดยที่มันไม่เคยผ่านมาก่อนแต่ถ้าใครไปกระสังปา่า เป็นวางใจได้ครับในเรื่องงูหรือสัตว์ขบต่อยที่มีพิษทุกชนิดไม่ว่าจะร้ายแรงสักเพียงใดบรรพบุรุษสามชั่วคนของสางปานะ่ะไม่ใช่นักล่าสัตว์สี่เท่าที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่เป็นพรานและหมองูทุกชนิดนอกจากความรู้ความสามารถในการแก้ไขพิษร้ายของสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดแล้วไอตองสู่คนนี้นะ่ะยังมีวิชาอาคมและธรรมชาติพิเศษประจําตัว ในการบำราบสับพิษเลื้อยคลานทุกประเภทขนาดแม่งูจงอางที่กำลังกกไข่อยู่มันยังเข้าไปเอาไข่มาต้มกินได้โดยแม่งูไม่กล้าแม้แต่จะเงยหัวขึ้นมาอาชีพดั้งเดิมของส่างปลานะจับงูขายผมไม่ทราบว่าส่่งปลาจะรู้วิธีแก้ไขพิษแมงมุมดำหรือเปล่าแต่พิษของตะขับโดงซึ่งร้ายกาจกว่ายังแก้ไขให้คุณชยันรอดตายมาได้แล้ว ความหวังของเราอยู่ที่การพาเอาแง่ทรายไปให้ถึงมันโดยเร็วที่สุดครับสีหน้าของเชษฐาแช่มชื่นในทันทีนั้นถ้างั้นเราก็พอใจมองเห็นความหวังขึ้นมาบ้างแล้วกระพินก็ทำไมคุณถึงไม่ใครไปตามสั่งปลามาเส้นเดี๋ยวนี้ล่ะเราแบกแง่ทรายเดินทางกลับไปที่พักมันสะดวกสู้ไ้สั่งปามาพบคนเจ็บที่นี่เองไม่ได้นี่ให้ใครไปตามสั่งปลา แปลว่าเราจะต้องเสียเวลาสําหรับการเดินทางสองเที่ยวคือเที่ยวที่หนึ่งให้คนไปตามและเที่ยวที่สองสั่งปลาเดินย้อนกลับมาหาเราก็สู้เราเอาแงซายกลับไปที่พักซึ่งมีสั่งปลาอยู่ที่นั่นแล้วเที่ยวเดียวดีกว่าไม่ต้องเดินย้อนกลับไปมาผมว่ามันเซฟเวลากว่ากันนะครับเชิดาเพิ่งจะมองเห็นด้วยในเหตุผลของเขาชั่วไม่ทันเหนื่อยทั้งคณะ พร้อมด้วยแค่หามคนเจ็บผู้อยู่แทนฐานะตายมากกว่าเป็นก็กลับมาถึงที่พักขยินกับเกิดซึ่งทำหน้าที่หามแคร่รับภาร ะ, ระมาโดยตลอดโดยไม่จำเป็นจะต้องผลัดเปลี่ยนให้ใครด้วยความทรหดแข็งแรงนำลิ้วขึ้นไปก่อนบุญคำตามขึ้นไปติดตดิพอเห็นเจ้าตองสู่ซึ่งบัดนี้ถูกปล่อยทิ้งให้เฝ้าแคมอยู่คนเดียว กำลังนั่งเออระเหยถุนกัญชาคลอกๆเป็นทองไม่รู้ร้อนดูท่าไม่สนใจอะไรกับความรีบด่วนตาลีตะเหลือกของพวกพ้องทุกคนที่เพิ่งจะรุดกลับมาถึงแกก็สะบุด่าเอ็ดอึงรกระเข้ามาเตะภับเขาให้ที่ชายโครงเจ้าสางปลาสางปลาหกเมรบ่องกัญชาหลุดกระเด็นจากมือร้องอู้ทุดไอ้คีลิงคนอื่นก็เดือดร้อนกันจะไโหงส์ไหา แต่โถเอ้ยมึงมานั่งกระดิกตีนสูบ ก, กัญชาอยู่นี่พวกเจ้านายกลับมาถึงจะลุกขึ้นมารับสักนิดก็ไม่นี่ประเดี๋ยวพัดมาเรียกราเข้ามาผลักอกตาเท่าผู้กำลังโมโหโตเต็มเหนี่ยวเซไปยืนกันคนของหล่อนไว้ไม่ให้ถูกซ้ำไรตาเท่ามาทำคนของฉังนทำไมหล่อนร้องแหลมอย่างเดือดดาลบุญคำแยกเขี้ยวเข้าใส่เอตโรลั่นเป็นภาษาไทย จ, จุงนะเว้ยแ ม, ม่มมมขวางหูขวางตาดี๋ยคำก็ตายฮพ่อยิงมาหอยู่ด้วยดารินก็ปราดเข้ามาในทันทีนั้นกระชากไหลบุญคำให้ถอยห่างออกมาถอยออกไปบุญคำหล่นตะหวาดเบาๆแล้วมองไปทางมาเรียผู้ตาเขียวจ้าอยู่ขอโทษแทนคนของฉันด้วยนะเมบุญคำกำลังหัวเสียซึ่งก็เหมือนฉันขนาดนี้แหละเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมด มาเรียแค่ยิ้มยักไหลตาเท่าก็พานเกินไปแล้วก็ถืออำนาจคมขู่รังแกค น, นอื่นๆอยู่เรื่อยแกคงโมโหละที่เห็นสางปาสูบกัญชาเฉยแต่แกก็ควรจะรู้นี่ว่าสางปายังไม่รู้ในสิ่งที่เรากําลังเดือดเนื้อร้อนใจกันอยู่ในขณะนี้สักนิดสางปายังไม่รู้อวังเง๋ยายกําลังจะตายบอกตาเท่าเธอะว่าทาาํสาสั่งตาสังปาก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะมันไม่สู้คน ก่อนที่ดารินจะโต้อตอบลักษณะการพูดอันเก่าแข็งของมาเรียอย่างใดต่อไปนั่นเองชัยันเชษถาและระพินก็ก้าวเข้ามาถึงพรานใหญ่ก้มลงหิ้วปีกเจ้าตองสูพยุงให้ลุกขึ้นสางปาหน้าเนี่ัวคิ้วขมวดเอามือกุมสีข้างครางงิง น, นายแต่เท่าเตะสางปลาสี่โครงพังไปแถบนึงแล้วสางปานั่งอยู่ดีๆ ไม่รู้ตาเท่าไปกินรังแตนมาจากไหนเจ้านันฟ้องลันเอาเถอะถ้าสี่โครงของเจ้าหักจริงบ่เดี๋ยวฉันจะเอาสี่โครงของตาเท่าบุญคำมาใช้แทนให้เจ้ายังไม่ถึงตายหรอกสังปาแต่งแง่ทายกาลังจะตายและเจ้าคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะช่วยได้กล่าวจบเขาก็ลากเจ้าคนตองสูมาที่ร่างอันนอนสงบนิ่งของแง่ทายแล้วชี้ให้ดูตรงบาดแผลเหนือ ข้อเท้าทุกคนมุงห้อมล้อมเข้ามาในทันทีนั้นสั่งปามองดูหน้าอันเขียวคล้ำของคนสรุปแล้วก้มลงไปพิจารณารอยแผลด้วยสีหน้าอาการอันเซื่อๆตามปะกะติของมันแล้วเงยหน้าขึ้นกระพริบตาปริบบมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีที่สุดก็มาหยุดอยู่ที่ตาคู่ซึ่งจ้องมาก่อนแล้วอย่างร้อนใจของพรานใหญ่ ไอ้ดำหุกขาเจ้าต้องสู่พูดเบาๆด้วยอาการอันเนยเฉยแฉะของมันมาเรียแปลภาษาพาม่าที่ส่างปาพูดกับระพินให้อีกสามคนฟังโดยตรงตัวโดยเร็วบุญคำซึ่งเหลืออดมาแต่แรกแล้วมาพบกับความยืดยาดดูเหมือนไม่เป็นภาษาของเจ้าส่างปาเขาอีกก็แทบเป็นแผดเสียงตะหวาดออกมาว่าโถไอ้กุดทั้ง รู้ละไอ้ดำหกขาของมึงตอบไอ้เงาซ้ายก็าให้ว่าแต่มึงอะมีปัญญาช่วยเงาซ้ายได้มั่งไหมละ่ะถ้ามีก็ช่วยมันให้รอดตายไดท้ทั้งทั้ที่แก่คับอพของมึงอย่างเงี้ยกูจะกราบงามงามมึงสามทีเลยแต่ถ้ามึงช่วยไม่ได้พอจะกระเืชไปจมธรณีแล้วปะโทบุญคําร้อนใจจริงๆ ร, ร้อนพอๆกับหมอดารินในขณะ น, นี้แต่การเร่าร้อนของใคร ไม่ว่าจะมีสักเพียงใดก็ไม่สามารถจะปลุกสภาพอันเฉยออชาเป็นนกถึกถื อ, ถอในเวลากลางวันของเจ้าคนดงขึ้นมาได้มันยกมือข้างนึงเกาหัวกลักกักอีกมือหนึ่งเอื้อมไปจับหัวแม่เตีนของแง่ทรายปากก็บอกว่าเดี๋ยวให้สางปลาตรวจ ด, ดู ก, ก่อนว่ามันตายยังป้าพรานเท่าร้องอะไรออกมาอีกคํานึงอย่างหัวเสียขีดสุด ชิบหายเอ้ยไอสางป้าวิธีตรวจดูคนตายไม่ตายของมึงอะไม่เหมือนของหมอคนไห น, ไหนในโลกแทนที่จะจับข้อมือมึงเล่นจับหัวแมตินเดี๋ยวปัดและบุญคำก็จำต้องสงบปากคำลงในทันทีนั้นเมื่อรพินตบแรงๆลงไปบนหลังเป็นความหมายให้ยุติถ้อยคำใดๆทั้งป่ง๋อึจใจเดียวเจ้าหมองูเผาตองสู่คนคู่ใจของมาเรีย ก็เงยหน้าขึ้นบอกหน้าตาเฉยว่าตายแล้วนหยไอ้แงสายตายแล้วทั้งหมดที่แวดล้อมอยู่ไหวตัวพร้อมกันหมดแต่พรานใหญ่ยกมือขึ้นเป็นความหมายให้สงบลงชั่วขณะทรงภาษาพูดกับส่างปาว่าแต่เจ้ามีทางจะทำให้ฟื้นขึ้นมาได้ไม่ใช่เหรอเมื่อนั้นทุกคนจึงเห็นส่างปาสยายยิ้มออกมา เห็นฟันขยินพร้อมกันลุกขึ้นยืนนายถ้าไม่ได้ก็ไม่ใช่สางปลาลูกของสางเราหล้านของสางคำสินายแ้เดี๋ยวมึงเจอเอาสางผางังจากปีนของกูนี่ก็รอกกูว่าไม่แคล้วแน่ไอ้สางปลามึงอะบุญคำอดไม่ได้ที่จะคำรามออกมาคณะนายจ้างทั้งหมด เห็นพรานใหญ่ส่งภาษาอะไรอยู่กับเจ้าตองสูอีกครู่เดียวก็เห็นส่างปาเดินไปคว้ายย่ามขึ้นสะพายไหลมีขยินเดินตามไปด้วยและแทนที่มันจะหยิบปืนประจำตัวกลับฉวยได้บ้องกัญชาของโปรดติดมือแทนปืนหันมาบอกกรพินว่าก็เดี๋ยวส่างปาจะกลับมาให้ตาเท่าบุญคํากราบงามๆสาทีน้นายแล้วมันสองคนกับขยิน ก็เดินลงจากที่พักนายไปในแนวป่าอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงร้องตะโกนสาบแช่งไล่หลังของตาบุญคำสางปารับรองว่าแกจะแก้ไขแง่ทายให้ฟื้นได้ครับจอมพรานหันมาอธิบายกับคณะนายจ้างของเขาภายหลังจากที่มันรับตาไปกับขยินแล้วมันบอกว่าจะไปเอาตัวแมงมุมดำที่กัดแง่ายมาให้ขยินพามันไปตรงที่แง่ายถูกกัด เมื่อตอนนั่งหลับอยู่ประเดี๋ยวมันจะกลับมาครับทุกคนงงยกเว้นมาเรียซึ่งฟังออกอยู่บ้างแล้วว่าส่างปาบอกอะไรกับพรานใหญ่บ้างทำไมมันต้องไปเอาไอ้แมงมุมหกขาตัวนั้นมาด้วยดารินถามโดยเร็วส่างปาบอกว่าต้องรีดพิษแมงมุมดำตัวนั้นออกมาผสมกับยาของมันแล้วเอายาปิดที่ปากแผลตรงรอยถูกกัด คงจะมีปฏิกิริยาอะไรในการแก้กันได้ละมั้งน้อยในระหว่างพิษของแมง ม, มุมกับตัวยาของสางปลามันอาจจะคล้ายๆเซรุ่มก็ได้นะถ้าเราจะพิจารณากันในแง่ของหลักวิชาแพทย์ดารินลืมตากว้างข้าวหน้าอันซีดเซียวของหล่อนเริ่มมีสีเลือดขึ้นเต็ม ไ, ได้วยความตื่นเต้นในข่าวที่คืบหน้าไปในทางดีงามนั้นชา ย, ยันก็เช่นเดียวกันเหรอ สังปลาบอกเช่นนั้นเหรอมาเรียพยักหน้าฉันได้ยินมันบอกพรานใหญ่อย่างนั้นนี่ก็เห็นจะต้องลองเชื่อมันดูละเพราะเราไม่มีวิธีอื่นให้เลือกอีกแล้วนี่ถ้างั้นก็เห็นจะพอมีหวังลนะแต่บอกตามตรงนะลักษณะท่าทางของเจ้าสางปาของเธอนะ่ะดูมันไม่น่าเลื่อมใสอะไรเลยดูมันงงโง่เ ส, เสื่อไม่เป็นภาษายัางไงพี่กลท่าทางมันเป็นอย่างนั้นเองครับคุณหญิง แต่มันก็มีความสามารถเยี่ยมยอดในวิชาที่มันถนัดนะครับคุณหญิงโปรโยาวิตกเลยครับผมรับรองครับว่างแงซายรอดตายแน่จอมพรานพูดกับหมอดารินเป็นประโยคแรกภายหลังจากที่หล่อนไม่ยอมมองหน้าเข้ามาเลยตลอดระยะทางที่เดินกลับมาด้วยกันขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะแต่เราจะเชื่อแน่ได้ยังไงเชื่อหรือไม่เชื่อ เราก็ไม่มีทางจะทำอะไรได้มากไปกว่าฝากความหวังไว้กรสางปลาละท่านหัวหน้าในคณะเอ่ยขึ้นเฮาเฮาแกทุกคนแล้วความสามารถของมันในด้านนี้เราก็ประจับชัดกันมาแล้วนี่ตอนที่ชัยยันถูกตะขับโดงกัดไงประโยคคำพูดของเชษฐานนั่นเองทำให้ชัยยันดารินและมาเรียหวนคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาได้แล้วก็แจ่มจ้าไปด้วยความหวังขึ้นจริงด้วยสิ นี่เราลืมกันไปเชลแล้วนี่ฉันเองควรจะตายไปนานแล้วนะด้วยพิษไอ้ตะขาดมหาประไลยนั่นสางปาก็ยังแก้พิษช่วยฟื้นขึ้นมาได้จริงสิคราวนี้เงาายก็น่าจะต้องฟื้นได้เช่นกันช ย, ยันร้องลั่นออกมาด้วยความปิติและดารินก็ยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกเพราะเห็นจริงโดยเหตุผลข้อนั้นถูกแล้วหล่อนลืมซะอย่างสนิทลืมไปว่าชายยันรอดตายในครั้งนั้นเพราะใคร ทั้งทงที่หล่อนเองก็คิดว่าเขาต้องไม่รอดแน่แล้วแล้วนี่ยังไงหมายความว่าสั่งปายังจะต้องเสียเวลาไปค้นหาไอ้ตัวแมงมุมนั่นอยู่อีกเหรอเชษฐาหันมาถามระพินไว้ใจเถอะครับสั่งปาคงไปไม่นานนักหรอกครับมันรู้ระยะเวลาดีอยู่แล้วและมันก็มีวิธีของมันโดยเฉพาะที่จะเอาตัวแมงมุมร้ายนั่นมาได้เพียงแต่ขยินนามันไปให้เห็นรูเท่านั้น สางปาบอกหรือเปล่าว่าทางนี้จะให้เราทําอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับคนเจิบดารินถามอย่างเป็นห่วงเปล่าครับแต่ผมว่าคุณหญิงคอยตรวจฟังเสียงหูใจไว้ดีกว่าครับฉันไม่เข้าใจทําไมครั้งแรกสางปาถึงบอกว่าเงยสายตายแล้วสางปาไม่ใช่แพทย์อย่างคุณหญิงนะครับมันไม่รู้ดีไปกว่าคุณหญิงหรอกว่าความตายของสิ่งมีชีวิตน่ะ ต้องประกอบด้วยข้อวินิจฉัยทางหลักการแพทย์ยังไงบ้างคุณสรุปไม่หายใจมันก็บอกว่าตายแล้วพอหายใจขึ้นมาได้มันก็บอกว่าฟื้นแล้วเมื่อมันบอกว่าตายง่ายๆมันก็สามารถจะบอกว่าฟื้นได้ง่ายๆเหมือนกันและมันก็ไม่ประหลาดใจด้วยว่าคนตายแล้วจะฟื้นได้ยังไงคนป่าคนดอยมันก็อย่างนี้แหละครับอย่าไปสงสัยหรือพิจารณาในคําพูดของมันเลย คุณรู้มันล่วงหน้าแล้วเหรอว่าสางปลาจะช่วยแงาทายในเรื่องนี้ได้ช่วยได้หรือไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าแงาทายตายสะก่อนแล้วหรือไม่เท่านั้นถ้าเขายังไม่ตายแล้วต่อให้หนักหนาสักขนาดไหนก็ยังมีทางแก้ครับผมถึงได้บอกให้คุณหญิงพยายามทําให้หัวใจของคนเจ็บทํางานไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้หยุดซะแล้วรีบเอากลับมาที่นี่โดยเร็วที่สุด แต่คุณก็ไม่ได้บอกความหวังให้ฉันรู้ก่อนเลยนี่ขณะที่เราเอางแงซายกลับมาที่นี่จอมพรันไม่ตอบเดินผ่ะไปซะพี่ชายก็บอกแทนมาด้วยเสียงต่ำๆว่าน้อยก็เอาแต่โมโหแต่ว่าต่อขานเขานี่แล้วพินคงไม่อยากจะพูดอะไรให้ฟังในขณนะนั้นลมะมั้งแต่เขาบอกพี่แล้วล่ะเรื่องที่จะเอาแงซรายกลับไปสั่งปลารักษานะ่ะก็ไม่จริงแหละกัพี่ใหญ่ พรานใหญ่คนเดียวแท้ๆที่เป็นต้นเหตุทวงเวลานำพวกเราไปที่แง่ายช้าจนกระทั่งเขาถูกแมงมุมร้ายมันกัดเอะทั้งๆที่น้อยก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกให้รีบไปซะก่อนตะวันขึ้นนี่ถ้าแง่สายเป็นอะไรลงไปเขาจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่โดยไม่มีประตูกแก้ทีเดียวล่ะเรามันรุนแรงกับเขาไปเองนาะใช้ยันตาหนิมาเบาๆเมื่อแ ง, ง่ายเป็นอันตรายได้ เขาก็ต้องหาทางแก้ไขได้เหมือนกันก็บอกแล้วไงว่าอย่าเพิ่งโวยวายอะไรไปเรื่องสาคัญที่สุดก็คือจงเชื่อมือเขาแล้วเราก็เชื่อเขามาตลอดแล้วสําหรับฉันน่ะมีสังหรณ์ที่ดีอยู่ตลอดเวลานะว่าแง่า ย, ายจะต้องไม่ตายไอ้คนคนนี้นะ่ะมันมีดีอยู่ในตัวเองหลายอย่างดวงชะตามันคงไม่ดับลงเส้นในครั้งนี้หรอกพวกเราทุกคนน่ะตายกันมาแล้วคนละหลายหลายหนทั้งนั้นแหละ ฉันจะยังไม่ยอมเชื่ออะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะเห็นแง่ทายฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้จริงซะก่อนคิดดูสิเขาจากพวกเราไปตั้งนานพอถึงคราวจะได้ตัวกลับคืนไม่ครั้งกลายเป็นว่าเราได้เพียงแค่ศกมันน่าเศร้าใจไหมอย่าว่าแต่แ ง, ง่ า, ายซึ่งฉันรักชอบพอนิสัยเขาเป็นพิเศษเลยบอกให้เกิดเสยจันบุญคาหรือแม้กระทั่งขยินและสางปลา พวกเราที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาทั้งสิบสองชีวิตนี่แหละถ้าบางเงินใครสักคนต้องครั่งพราตายจากไปฉันบอกไม่ถูกนะว่าจะมีความรู้สึกยังไงมันคล้ายๆกับว่าร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปทีเดียวไม่เพียงแต่ดารินเท่านั้นแม้แต่เชษฐถาหรือชา ย, ยันเองก็คิดเช่นนั้นในช่วงเวลาไม่ทันมอข้าวเดือด ท่ามกลางการกระสับกระส่ายรอคอยของทุกคนเจ้าต้องสู่กับเจ้ากระเหลียงหลมช้างก็พลูร่างรับแนวบังของป่าเบื้องล่างเดินตามตรงขึ้นมายัางที่พักอย่างรวดเร็วเสียงเกิดกับเสยตะโกนบอกพักพวกพร้อมทั้งชี้มือให้ดูขยินซึ่งเดินนําหน้าโบกมือตะโกนบอกพรานใหญ่ล่วงหน้าขึ้นว่านายไอส่างปลาลากตัวไอดำหกขามาได้แล้ว มันกําลังอยู่ในรูสางป้าเอาเลือดตัวตนล่อมันได้กลิ่นข่าวเลือดมันก็เลยโผล่ขึ้นมาทั้งหมดที่กําลังรอฟังข่าวด้วยความร้อนใจก็มีสีหน้าดีขึ้นในทันทีนั้นบุญคําตะโกน ล, ลั่นลงไปเร่งให้เจ้าสองคนนั่นให้ขึ้นมาโดยเร็วส่วนเกิดเสยและจันทร์วิ่งสวนทางลงไปรับเสียงพวกนั้นพูดอะไรกันโลงเลงไปหมดชั่วครู่เดียวสมุนเอกของมาเรีย และอดีตนักเลงโตหล่มช้างก็รุดขึ้นมาถึงทั้งสองไปเร็วมาเร็วอย่างที่สุดแล้วแต่มันก็ยังดูเหมือนไม่ทันใจฝ่ายที่รอคอยอยู่สางปลาหิ้วเอาผ้าเขามาประจำตัวของมันขมวดปมผูกสี่ชายไว้ทำเป็นลักษณะถุงย่ามติดมืออยู่ด้วยพอมาถึงตรงหน้าพรานใหญ่ท่ามกลางการมุงรายล้อมของพักพวกทุกคนก็วางลงกับพื้นทันทีที่ก้นถุงแตะถึงพื้นดิน อะไรชนิดหนึง่งที่บรรจุอยู่ภายในก็เคลื่อนไหวดิ้นคลุกคลักไปมาส้างปีนชักส้างปาชักมีดเน็บออกมาเอาทางแบนของใบมีดกดสิ่งนั้นไว้ให้นิ่งอยู่กับที่ตะโกนร้องบอกขยินให้ค่อยๆแก้ปมผ้าเขามาออกระพินก็ร้องสั่งให้คณะนายนายจ้างของเขาและพวกพรานพื้นเมืองถอยตีวงห่างออกไปพอสมควร เพื่อความปลอดภัยขยินแก้ปมผ้าเข้ามาด้วยมืออันสั่นเทาเสียงถกเถียงร้องด่ากันเองในระหว่างเจ้าสองคนดังลั่นมันเนื่องมาจากขยินจดจดจ้องจ้องบอดแหกอยู่นั่นเองในที่สุดชายผ้าก็หลุดออกขยินเพ่นวือออาไปยืนรวมกลุ่มกระพักพวกโดยเร็วไม่ยอมเข้าใกล้าสางปลาอีกรอให้เจ้าตองสู่จัดการกับเฉลยของมันตามลพาพัง และท่ามกลางการยืนจ้องตะลึงดูของทุกคนสางตาเอาอีกมือหนึ่งล่วงเข้าไปพายใต้ผ้าคลุมหน้าตาเฉยใจเดียวก็คว้าเจ้าสัตว์ชนิดหนึ่งถือชูขึ้นในมือให้ทุกคนเห็นทั้งหมดแม้แต่ระพินไพรวันเองก็พั ง, งะหลังไปโดยไม่รู้สึกตัวด้วยความพรั่นรึงสยสยเสแยง ขนาดของมันเท่าปูมาชนิดเรื่องเต็มที่หรือมิฉะนั้นก็ปูทะเลย่อมย่อมตัวเต็มปไปด้วยขนละเอียดดำสนิทกระทบกับแสงแดดเป็นเงาระยับราวกับไหมาขาทั้งหกข้างในขณะนี้ตะกุยตะกายอากาศอยู่ยุ่มยามเพราะสางปลา จ, จับแบบขยุมส่วนสีสะและด้านหลังของมันไว้ขคิ้วแหลมงงภายใต้ปากทั้งสองข้างขยับบดเข้าหากันอยู่ไปมา อย่างดูร้ายเกรี้ยกโกรธตาทั้งสองใสาขาวราวกับเพชรแมงมุมเราดีๆนี่เองแผกไปที่สีสันและลักษณะบางส่วนเท่านั้นและแม้จะไม่ต้องรู้จักกันมาก่อนเลยแต่จากรูปร่างหน้าตาของมันย่อมบอกให้สัญชาติยานระแวงภัยของมนุษย์และสัตว์ทั่วไประหนักได้ดีว่าพิษสงของมันควรจะร้ากาดซักเพียงไหน ระวังนะสางปาพลาดนิดเดียวเจ้าจะลําบากมาเรียร้องกล้องเปือนคนของหล่อนด้วยความตกใจสางปายิงฟันยิม้มชูเจ้าแมงมุมร้ายกวัดแกว่งอยู่ไปมาแล้วแย่พรวดเข้าไปที่หน้าของบุญคําตาเท่าสะดุ้งโยงร้องว่าลันพังหะหน้าหนีด่าพ่อล่อแม่สางปาขโมงชงเฉงไปหมดแต่ก็ไม่กล้าจะเข้าไปทําอะไรมันได้ สางปาหันมาร้องบอกอะไรกับรพินเร็วหรือทุกคนเห็นเขาเพ่นไปที่กองสัมภาระอึดใจเดียวก็วิ่งกลับมาพร้อมกับถ้วยพลาสติกเล็กๆยื่นทรงให้เจ้าตองสูสางปารับมาแล้วเดินเข้าไปนั่งยองๆบังมุมอยู่ใต้ร่มเงาไม้รพินเป็นเพียงคนเดียวที่กระโดดเข้าไปร่วมด้วยนั่นสางป้าจะทำอะไรอะดารินร้องถามมา มันบอกว่ามันจะรีดพิษออกมาเรียผู้เข้าใจภาษาโต้ตอบระหว่างคนของหลอนกับพรานใหญ่ซึ่งชุลมุนช่วยกันอยู่ในขณะ น, นี้บอกมาแทนรีดพิษรีดโดย ว, วิธีไหนกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันคงมีวิธีของมันหรอกอย่าเพิ่งเข้าไปนะน้อยปล่อยสองคนนั่นดีกว่าอันตรายมากถ้าทางมันไม่เหมือนแบล็กวีโดที่ฉันเคยรู้จักมาก่อนตัวโตกว่า ลักษณะน่าเกลียดกว่าไอ้ตายเถอะมังคงร้ายกว่าแม่ไหยดำสักสิบเท่าแม่สาวพูดอย่างขยะขขยงขอไหลสยุกลายลงเชษฐากับชยันขยับจะตามเข้าไปร่วมดูอยู่ด้วยแต่ก็ต้องชะ ง, งักเพราะพรานใหญ่ร้องตะโกนห้ามมาสักก่อนอย่าเพิ่งเข้ามานะครับรีดพิษมันออกสักก่อนประเดี๋ยวผมจะให้เห็นตัวมันให้ถนัดทีเดียวครับสองคนนั่งมุง ง่วนจัดการอะไรอยู่ด้วยกันครู่ใหญ่ทุกคนก็เห็นสั่งปาน ล, ลุกขึ้นยืนคว่างเจ้าแมงมุมรายที่ถือบีบอยู่ในมือลงกระพื้นโดยแรงเสียงพลักใหญ่ร่างของมันดิ้นเดาเดวอยู่กระพื้นจอมพรานก็ก้าวเข้ามาใช้ส้นรองเท้ากดขยี้ลงไปบนส่วนหัวจนแหลกลานเหลือแต่ส่วนลำตัวลักษณะเกือบจะกลมอวบอ้วนและขาทั้งหกข้างที่ขยับเคลื่อนไหวอยู่กระดึบกระดึบ หมดสิ้นฤทธิเดชลงเพียงแค่นั้นแล้วเขาก็ใช้ไม้เขียกระเด็นมายังกลุ่มของเจ้านายและพรานพื้นเมืองซึ่งยืนคอยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแตกหือกันออกไปอีกครั้งด้วยสัญชาตญาณเมื่อมันถูกเขี่ยปลิวเข้ามาใกล้กเกือบถึงตัวเชษฐาชัาชายยันมาเรียและดารินค่อยๆมุ่งล้อมเข้ามาอีกครั้งไม่ต้องกลัวครับมันทาอะไรใครไม่ได้อีกแล้วเสียงระพินบอกมา พร้อมกับประคองถือถ้วยพลาสติกเข้ามาด้วยส่งให้ทุกคนดูในถ้วยของเหลวใสออกสีเขียวจางๆชนิดหนึ่งอยู่ในนั้นปริมาณเราสามสี่สี่ทั้งสี่คนพอมองเห็นข้าวก็เบปากอย่างสยดสยองใจนี่น่ะเหรอพิษมันดารินอุทานครับนี่แหละดูไว้เถอะปริมาณของมันน่ามากกว่างงูพิษงูเห่าเชื่ององีก ขนาดปล่อยเขาไปในตัวแง่สายบ้างแล้วเมื่อเช้านี่ยังเหลืออยู่ตั้งแค่นี้นะตัวเดียวกันหรือเปล่านี่ก็ควรจะเป็นตัวเดียวกันนะครับพระสังปาบอกว่าเอามันขึ้นมาจากรูที่แง่สายไปนั่งหลับขวางปากทางอยู่พร้อมกับพูดเขาส่งถ้วยน้ําพิษให้สังปาสั่งให้มันเร่งดําเนินการตามวิธีของมันโดยเร็วตนเองก้าวเข้าไปเอาเท้าเขี่ยเจ้าแมงมุมมาหาการตัวนั้นอีกครั้ง พร้อมกับโครงศีรษะอยู่ไปมามารียาบอกให้เขาถอยห่างออกมาเอาไม้ยาวประมาณสอกเศษเขียพลิกพิจารณาอย่างทีท้วนด้วยความสนใจทุกคนเคลื่อนเข้ามามุงดูโดยใกล้ชิดแม่ไม้ดำเหรอชยันถามมองดูซากของมันอย่างหวาดเสียวมารียามีสีหน้าอยากจะบรรยายสันศีรษะฉันว่าไม่ใช่นะ ที่ฉันเคยรู้จักแน่นแน่นนะแบ็กวินเดิลนะมันใหญ่มากและเกินตัวก็น่ากเกลียดน่ากลัวกว่าเพิ่งเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกความจริงฉันก็ท่องเที่ยวในป่าพม่ามานานนะแต่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วหล่อนก็ผุดลุกขึ้นไปไปดูสางปลาจัดการกัน ง, งซ้ายกันเถอะ <c oughs> ทั้งหมดละความสนใจจากซาก ข, ของแมงมุมตัวนันชั่วคราว พากันเดินตรงมาที่ส่างปลาทันทีสิ่งที่เห็นก็คือเจ้าสมุนเอกของมาเรียกำลังเอาแท่งอะไรชนิดหนึ่งลักษณะเป็นตัวยาสมุนไพรผสมปั้นไว้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมโตขนาดหัวแม่มือและยาวประมาณสององคุลีซึ่งควักออกมาจากย่ามส่วนตัวอันบุบบี้ของมันจิ้มปลายส่วนหนึ่งลงไปกวนบดอยู่ในน้าพิษของเจ้าแมงมุมเสียงมันร้องส่งภาษากระพรานใหญ่ ต่อมารพินก็หันมาบอกดารินว่าสังปาต้องการให้คุณหญิงช่วยกรีดเปิดปากแผลตรงบริเวณที่ถูกกัดออกหน่อยครับมันจะได้เอายาปิดได้สะดวกดารินรับคำโดยเร็วลงไปที่หีบเครื่องเวชภัณฑ์งัดมีดผ่าตัดสำลีและแอลกอฮอลออกมาสักถามเพื่อความแน่ใจถึงขนาดของบาดแผลและลงมือเปิดแผลออกไปทันทีโดยมีมาเรียคอยช่วยเหลืออยู่ ห่อนกรีดเป็นรูปกากบาทคร่อมผ่านรอยเขี้ยวทั้งสองลึกประมาณสมมิเมตรแล้วคั้นเลือดสีดําออกมาปริมาณของเลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผลมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดูราวกับว่าเลือดในกายของเจ้ากระเหรี่ยงพนเนจรอดีตองคารักประจําตัวของหล่อนแห้งเหือดเสียหมดแล้วหล่อนสบตามาเรียซึ่งมองอยู่ก่อนแล้วแมมสาวเข้าใจอาการดี ถอนใจยาวอย่างหนักใจดูด้วยสายตาสามันนะฉันว่าเขาตายแล้วนะมาเรียกกระซิบเบาที่สุดหมอดารินไม่มีคำพูดใดๆทั้งสิ้นแล้วสางปาพร้อมกับตัวยาของมันที่จัดการไว้เรียบร้อยแล้วดูไม่น่าสัทธาใดๆมากไปกว่าอาการรักษาพยาบาลตามระบบพ่อมดหมอผีก็ตรงเข้ามาท่ามกลางการเฝ้าจับดูของทุกคน เจ้าหมอวางงูเผ่าตองสู่ก้มลงดูบาดแผลที่หมอดารินกรีดเปิดไว้ให้ด้วยสีหน้าตายด้านอ่านความรู้สึกไม่ออกของมันและอย่างไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งสิ่นก็จัดการเอาแท่งยาที่ส่วนปลายอาบซึมไว้ด้วยพิษของเจ้าแมงมุมร้แย่กดลงไปกับบริเวณปากแผลนั้นใช้มือทั้งสองประคองถือตั้งไว้ไม่พูดจาว่าขานอะไรกระใครอีก ทอตามมองดูฟ้าดูดินอย่างปราศจากความหมายไปตามเรื่องของมันเหมือนจะไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่สำคัญอะไรเลย้ายทำอะไรเล่นยังไงก็ยังงั้นทุกคนแน่นิ่งจ้องมันขม็งความเงียบปกคลุมไปทั่วดุษณีภาพชนิดนี้ครองตัวอยู่นานทีเดียวในที่สุดเฉทาก็ขยับตัวอย่างอึดอัดทำลายความเงียบมาว่าถามมันดูสิผู้กอง ว่ามันไม่มีวิธีอื่นใดมากไปกว่าเอายานั่นกดไว้ตรงปากแผลและตัวมันเองก็นั่งตาลอยหิวกัญชาอยู่ยังงั้นเหรอซางปาบอกว่าอีกสักครู่ปากแผลจะดูดยาแท่งนี้ให้ติดนิ่งอยู่โดยมันไม่จำเป็นต้องถือประคองไว้ตอนนี้ต้องถือช่วยไว้ก่อนเพราะอำนาจการดูดของตัวยายังไม่ได้ระดับครับพรานใหญ่ตอบภายหลังจากหันไปส่งภาษาถาม ไม่น่าเชื่อนะว่าจะดูติดปากแผลได้แต่น่าเชื่อในด้านบาดทยักซะมากกว่ามารียเอียงหน้าเข้าไปกระซิบข้างหูดาริมทั้งทั้งที่ก็เป็นบ่าวนายคู่ขาอยู่คลุกคลีร่วมกันมานานแม่มสาวก็ยังมีท่าไม่เลื่อมใสคนของหล่อนนักแน่ละมารียฮอปมั่นหาเคยรู้ประวัติดั้งเดิมอันแท้จริงของเจ้าตองสู่ไหมผิดกับรพิน์ไทรวัน ยอมพรานผู้รู้จักคนของเขาทุกคนที่ร่วมทางมาด้วยล่วงรู้ลึกขึ้นไปจนถึงโคดวงบรรพบุรุษและสัญชาตญาณแท้จริงของมันเว้นไว้คนเดียวแง่ทายเจ้าหนุ่มพระเนจรผู้ลึกลับซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการกู้ชีวิตครั้งนี้เท่านั้นที่เขายังมืดมนและพยายามค้นคว้าแก่นแท้อันซอนเรน เจ้าป่าเจ้าเขาเป็นพยานเถิดอย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการจะได้ชีวิตของแง่ทรายกลับคืนมาไม่น้อยไปกว่าดารินหรือความรู้สึกของบุคคลอื่นๆแง่ทรายเจ้าหนุ่มชาวโดงรูปงามกอบไปได้วยฝีมืออันยิ่งใหญ่เกรียงไกรในเชิงป่าไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าเขาเลยผู้เป็นตัวปริศนาลี้ลับพอๆกับความลี้ลับของเทือกเขาพระศิวะ และขุมเพชรพระอุมาเทวีที่ทุกคนกําลังจะมุ่งหน้าไปไม่มีใครมีแก่ใจจะเคลื่อนไหวหรือทำอะไรอื่นใดได้ทั้งสิ้นนอกจากเฝ้าล้อมวงดูวิธีการกู้ชีวิตแง่สายจากเจ้าส่างปลาอยู่เช่นนั้นมันเป็นช่วงระยะเวลาแห่งวิกฤตการณ์สุดยอดอีกวาระหนึ่งลูกผีหรือลูกคนก็คงจะได้รู้กันออกไป ภายในระยะไม่เกินครึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้ทุกคนลืมแม้กระทั่งความหิวอาหารใดๆยังไม่ล่วงลงถึงกระเพาะเลยนับแต่เช้ามาจนกระทั่งตะวันสายเกือบเที่ยงในความเงียบเสียงแหบห้าวของใครคนหนึ่งดังมาจากกลุ่มพรานพื้นเมืองว่าแงสายข้ารู้ดีว่าเองไม่ใช่กระเรียงเผาพันเดียวกับข้า แต่ข้าก็รักน้ำใจแล้วฝีมือของเองนักผีสางเทวดาช่วยด้วยเถิดอย่าให้เองสิ้นสุดชชก่อนในครั้งนี้เลยผู้รำพิงคือขยินแห่งหล่มช้างทุกคนเหลือบมองสีหน้าอันเงียบขรึมเต็มไปด้วยความห่วงกังวลปริวิตตกของมันแล้วก็เหมือนมีอะไรมาเย็บปากไว้ขณะจิตต่อมานั่นเอง สางปาก็ถอนมือทั้งสองออกจากบาดแผลทุกคนตะลึงพึงเพลิดดูนั่นแท่งยาดูดปากแผลติดเดเลยช ย, ยันรองตะโกนกึกก้องขึ้นด้วยความตื่นเต้นยินดีเหลือที่จะกล่าวสางปาค่อยๆลุกขึ้นโดยอาการเป็นปกติเดินแหวกวงล้อมของทุกคนที่เฝ้าตะลึงมองดูบาดแผลของแงซสายอยู่เพื่อปลีกตัวออกไปบังเงินตาเท่าบุญคํายืนขวางทางอยู่พอดี เจ้าตองสูไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นแต่ใช้ไหลอันบอบบางของมันขิดกระแพกอกเหียวๆ ข, ของตาพรานเท่าพังหะเซพ้นทางและมันก็เดินผ่านออกไปนั่งประจำที่ควาบ้องกัญชาขึ้นมาถุนคลอกๆตามเดิมทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะนายจ้างสุดที่จะเดาได้ว่าผลของการรักษาเยียวยาจะได้ผลคืบหน้ายางไรต่อไป แต่ก็บังเกิดความอบอุ่นเชื่อมั่นขึ้นมาอย่างเต็มที่ซะแลวะ้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะคืบหน้าไปในทางดีและความหวังอันแจ่มใสขึ้นจากสภาพที่เห็นตัวยาดูติดอยู่กับปากแผลของแง่ทรายจริงตามที่ส่างปาบอกไว้หมอดารินเองขณะนี้กระพริบตาปริบ ป, ปริบมองดูแท่งยาอันดูติดแน่นอยู่กับบาดแผล และบองไปยังบรรดาพักพวกทุกคนอย่างงงงันอัจรรย์พูดอะไรไม่ถูกมารีฮอฟมันถอนหายใจเฮือกหลับตาลงปากพืมพำมสวดมนต์ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าส่วนเชษถาชัยยันข้าวหน้าแช่มชื่นเต็มด้วยความหวังชัดของมันสักสิทธิ์จริงเห็นจะมีทางแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ครางออกมาอย่างลิงโลด เขย่าแขนเชิดถาเบาๆระพินไทรวันเองก็อยู่ในลักษณะเดียวกะสางปาเขาเป่าลมออกจากปากเบาๆเหมือนจะระบายความทุกข์กังวลทั้งหมดออกไปจากอกขยับปีกหมวกเสยขึ้นไปครอบอยู่กลางศีรีษะแล้วถอยห่างออกมานั่งสุบุรี่ตามลําพังคนเดียวเงียบๆเสียงขยินและพวกครานพื้นเมืองพูดกันจอกแจก๊กอย่างตื่นเต้นยินดีกันทั่วหน้า ต่อมานณดนายจ้างทั้งหมดก็พากันเดินตรงมาที่เขาในขณะที่มาเรียแยกไปผู้จาสอบถามอะไรสางปลาอยู่อีกด้านหนึง่งยังไงต่อไปนี่ผู้กองร้อยยาดูดติดปากแผลทิ้งไว้เช่นนั้นจนกว่าแงาซายจะฟื้นขึ้นมาเองอย่างนั้นเหรอผู้ถามคือสุภาพบุรุษในราชสกุลผู้ละเอียดรอบคอบและคำถามก็ดูเหมือนจะถ่ายทอดข้อข้องใจอยากรู้ของหมอดารินนั่นเอง เท่าที่ส่างปลาอธิบายให้ผมฟังนะครับยาแท่งอ่ะมันจะดูดปากแผลเพื่อถ่ายพิษร้ายจนอิ่มตัวแล้วก็จะหลุดออกใช้เวลาครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ได้หมายความว่ายาหลุดหนึ่งครั้งคนเจ็บจะฟื้นขึ้นมาในทันทีนะครับจะต้องใช้การดูดซ้ําอยู่เช่นนี้ประมาณสามหรือสี่ครั้งแต่ละครั้งจะช่วยให้อาการของคนเจ็บดีขึ้นเป็นลําดับ จนกระทั่งเมื่อยาไม่ยอมดูดติดปากแผลอีกก็แปลว่าคนเจ็บปลอดภัยแล้วสางปลามียาติดมาคู่หนึ่งสองแทง่งมันจะใช้ผลัดเปลี่ยนกันพอแท่งแรกหลุดก็จะเอาแท่งที่สองติดเข้าไปใหม่และแท่งแรกเอาแช่น้ำทิ้งไว้เพื่อให้ยาคายพิษออกกับน้ำใช้สลับกันอยู่เช่นนี้ตอนนี้เราเห็นจะไม่ต้องทาอะไรแล้วลครับ ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของสังปลาและตัวยาที่จะดูดพิษออกซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาผู้คุณชายก็วางใจพักผ่อนได้แล้วครับเป็นครั้งแรกที่ต่างรู้สึกว่าภาระกังวลใจอันหนักอึ้งผ่อนปลนลงเหมือนเคลื่อนขยับภูเขาออกจากอกต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของการรอคอยเวลาเท่านั้นทุกคนพัก ผ่อนกินอาหารมื้อแรกสำหรับหมอดารินภายหลังอาหารหล่อนมานั่งเฝ้าสังเกตดูอาการของคนเจ็บเงียบเงียบนึกบนบานภาวานาไปพลางของแงซทายกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาแล้วก็หวนคิดไปถึงภาพเหตุการณ์ตอนสมัยที่ชั ย, ยันถูกตะขับดงกัดซึ่งก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกับแงซายในขณะนี้ไม่มีผิดร่างของเขาเขียวคลำ้ำเย็นชืดและหมดลมหายใจไปแล้ว แต่ในที่สุดด้วยโอสุดขนานวิเศษของลูกป่าสภาพอันเป็นศพของเพื่อนหนุ่มก็ค่อยๆกลับคืนมาเป็นร่างที่ครองชีวิตทีละน้อยราวกับใช้คาถาอาคมปลุกเสกฝีมือของเจ้าตองสู่สางป่านั่นเองฝีมือซึ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มีวันจะเข้าใจได้เป็นจริงตามที่พรานใหญ่บอกไว้าสางปาผู้ไม่สนใจเข้าปลาอาหารมากไปกว่ายาเสพติดของมัน พอไปดูดกัญชาได้ห้าหกบ้องตาปรือดีแล้วก็เดินกลับมาที่คนจ็บซึ่งตลอดเวลามีสภาพไม่ผิดอะไรกระสบไม่มาเรียเดินตามเข้ามาด้วยสองบ่าวนายส่งภาษาพมา่าพูดจาหารือกันตลอดเวลาซึ่งดารินฟังไม่ออกสางปากะเวลาได้อย่างแม่นยำยิ่งอันแสดงถึงความชำนาญเยี่ยมพอมันย้อนกลับข้ามาดูเพียงชั่วไม่นานแพ่งยาที่ดูดติดบาด บาดแผลอยู่ก็ขยับหลุดออกจะหมองูเอาแท่งยาแท่งใหม่ที่ผสมกับพิษของแมงมุมร้ายเตรียมรอคอยไว้ก่อนแล้วดูติดบาดแผลเข้าไปใหม่เป็นการผลัดเปลี่ยนใครต่อใครนอกจากระพิน์ซึ่งแยกไปนอนเอาหมวกคลุมหน้าเหมือนจะหลับอยู่ทางหนึ่งก็เข้ามาล้อมดูอีกแล้วก็เห็นชัดว่ายาแท่งใหม่ของสางปลาธรรมการเดิม คือผนึกติดเข้ากับบาดแผลตั้งเดเหมือนแท่งแรกส่วนยาแท่งเก่าที่หลุดออกมาสางปลาเอาแช่ลงไปในขันพลาสติกที่ใส่น้ําไว้เต็มเพื่อให้แท่งยาคลายพิษออกกับน้ําพอผัดเปลี่ยนเป็นรอบที่สามอาการคนเจ็บที่เห็นได้ก็คือจากความเขียวคล้ำจนกลายเป็นสีม่วงนั้นบัดนี้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นขาวซีโมดารินหัวใจเต้นแรง จ้องหน้าคนเจ็บเขม็งในความเปลี่ยนแปลงในทางดีเช่นนั้นรีบคว้าหูฟังหัวใจขึ้นมาตรวจสอบโดยเร็วอึดใจเดียวก็เงยหน้าขึ้นร้องเสียงลั่นการทำงานของหัวใจเริ่มดีขึ้นแล้วแงซ า, ายรอดตายแน่เชษฐถาชัยยันก็ปิติจนพูดอะไรไม่ออกเสียงมาเรียตะโกนเรียกจอมพรานเอ็ดอึงระพินเพนลุกขึ้นจากท่าที่นอนอยู่วิ่งเข้ามาสมทบ ชัยยันฉุดแขนเขาลากเข้ามาและชี้ให้ดูคนเจ็บโดยไม่พูดอะไรเลยทั้งสิ้นขณะนั้นหมอดารินกำลังจับชีพประจรที่ข้อมือหูฟังยังคล้องอยู่ที่คอใบหน้าของนักมานุษยวิทยาแพทย์สาวบอกแววประโมดเห็นชัดน้ำตาคลอหน่วยมือของหล่อนสั่นสะท้านทำไมเหรอครับคุณหญิงแงซ า, ายตายสนิทแล้วกระมัง เขาถามเรียบๆแทนที่จะโกรธ ด, ดารินยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาเงยหน้าขึ้นสะบัดผมถอดถูฟังหัวใจออกจากคอนี่คุณอยากให้เขาตายนักหรอนายพรานเงซายไม่ตายหรอกชีวิตกำลังกลับคืนมาเป็นของเขาแล้วแล้วหล่อนก็หันไปมองดูหน้าเซ่อๆของเจ้าสางปลาเอื้อมมือไปจับแขนไว้แน่น เสียงสั่นเครือไปด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายเมบอกให้เขาเข้าใจด้วยสิว่าฉันขอบอกว่าเขาเป็นหมอรักษาพิษต่างๆที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากชัยยันแล้วแงาซายเป็นอีกคนหนึ่งที่ตกเป็นหนี้การกู้ชีวิตของเขาในครั้งนี้มาเรียพลอยปลา ป, ปลื้มไปกับคนของหล่อนด้วยในตาเป็นประกาย หันไปถ่ายทอดข้อความที่ดารินเจตนาจะพูดกระสางปลาให้เจ้าตัวมันเข้าใจหมอเงูเผาตองสู่ยิงฟันมากกว่าที่จะมองเห็นเป็นอาการยิ้มแล้วตอบมาว่าสางปลาไม่ต้องการเป็นหมอรักษาพิษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างที่นายหญิงว่ารอกแต่สางปลาต้องการเพียงให้ตาเท่าบุญคำนะกราบตีนสามทีเท่านั้น พรานเท่าแห่งเขาอึมครึมยืนอยู่ด้วยก็ร้องลั่นออกมาเออมึงไอสางปลากูยอมกราบแน่กูยอมกราบมึงแน่ขอให้อแยงาสายฟื้นขึ้นมาเฮ้วะดีเหมือนกันมึงจะได้อายุสั้นไปหาเร็วขึ้นไปอีกบัดนี้ทุกคนสังเกตเห็นอาการหายใจของคนเจ็บได้อย่างถนัดด้วยสายตาเปล่า ทุกกำลังใจพุ่งมารวมจุดหมดเหมือนจะส่งพลังเรียกร้องชีวิตของจอมพเนจรให้กลับคืนมาสู่ร่างดารินคอยซักสอบถามสางปาอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านทางมาเรียว่าจะให้รลอนช่วยเหลืออย่างใดบ้างหรือไม่เจ้าตองสู่ก็ตอบว่าให้ยาของสางปลาไม่ยอมดูติดกับแผลอีกต่อไปซะก่อนเมื่อนั้นสางปาหมดหน้าที่ ก็แล้วแต่นายหญิงจะช่วยให้แง่ทรายฟื้นขึ้นมาเองตอนนี้ขอเป็นหน้าที่ของสั่งปาก่อนหลอนพยักหน้าอย่างเข้าใจและยอมเห็นจริงด้วยในเหตุผลของเจ้าหมองูผู้ยิ่งใหญ่แม้จะมีความรู้สึกว่าหล่อนเองน่าจะใช้หลักวิชาทางแพทย์ช่วยเหลือแง่ทรายขึ้นมาได้แล้วในขณะนี้ก็ตามเพราะมองเห็นโอกาสที่จะช่วยเหลือได้แต่ก็จําต้องปล่อยวิธีการเยียวยา ให้ดำเนินไปครบสิ้นขบวนการของส่างปลาซะก่อนความหวังทั้งมวลเปรียบประดุดเปลวไฟบนปลายเทียนซึ่งริบหรี่แสงจะดับมิดับแลอยู่รอมารอครั้นแล้วก็ได้รับเชือ้อค่อยๆเปลง่งแสงสว่างขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยจบกระทั่งเป็นที่แน่ใจได้ว่ามันจะไม่ดับลงแล้วเมื่อยาแท่งที่สี่ของสางปาไม่ยอมดูดติด ปากแผลของแงซายต่อไปอีกเมื่อนั้นส่างปาก็เก็บเครื่องมือสรรพสิ่งในการรักษาของมันขนออกห่างคนเจ็บไปพร้อมกับบอกว่าถ้าตามวิศีของสางปาแงซายจะตื่นขึ้นมาเองเราราวค่ำวันนี้แต่นายหญิงเป็นหมอคงทาให้มันฟื้นได้เร็วกว่านั้นส่างปารับรองได้ว่า ไม่มีพิษของไอแมงมุมร้ายนะ่ะเหลือค้างอยู่ในตัวแงสายอีกแล้วดารินตรวจร่างกายคนเจ็บอีกครั้งเต็ไมไได้วยความพอใจในอาการแล้วก็ให้ยาฉีดทันทีร่างซึ่งบัดนี้นอนหายใจรวยๆเหมือนคนหลับธรรมดามีอาการสูดลมหายใจลึกขึ้นแล้วระบายออกเหมือนจะถอนใจเฮือกใหญ่เว้นจากส้างปลาเพียงคนเดียว ทั้งคณะไม่มีใครขยับขยื่นไปไหนนอกจากเฝ้ามองดูอาการอยู่เช่นนั้นมันเป็นเวลาแห่งการเข้าได้เข้าเข็มสุดยอดต่างปรารถนาตรงกันหมดคือต้องการเห็นดวงตาที่ปิดสนิทคู่นั้นเปิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกและแล้วในที่สุดเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง มันจะห่างจากระยะเวลาที่หมอดารินฉีดยาสักเท่าใดไม่มีใครบอกได้แงซ า, ายถอนใจเฮือกอีกครั้งคราวนี้หนักแรงฝ่ามือใหญ่แข็งแรงที่วางแบเหย็ดยาวไปกับพื้นข้างตัวค่อยๆงอนิ้วเข้ามากำแน่นจนเห็นตามเนื้อที่ต้นแขนขึ้นเป็นมัดแล้วมือทั้งคู่นั้นก็ยกขึ้นรูปคลำตามอก และใบหน้าของตนเองชยันขยับจะเอื้อมมือไปจับตัวแต่ดารินปัดมือไว้ทำสัญญาณให้ทุกคนอยู่ในอาการเงียบสงบเพื่อดูปฏิกิริยาของคนเจ็บให้เป็นไปตามสภาพอึดใจต่อมาดวงตาทั้งคู่ก็เปิดกโพล่ขึ้นอย่างกระทันหันท่ามกลางความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินโดยมีสายตาทุกคู่ ที่พุ่งมองรวมจุดอยู่ก่อนแล้วเป็นดวงตาตื่นมึนงงของผู้ที่นอนหลับมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนายหญิงนั่นเป็นเสียงแหบห้าวคาแรกผ่านพ้นออกมาจากริมฝีปากที่ขยับเขยืดนพเยือขึ้นโดยสายตาที่เปิดขึ้นพบเป็นครั้งแรกต่อมาก็ กองและนายใหญ่จากนั้นก็ชะ ง, งักงันเงียบกริบไปได้แต่กว่าตามองสบดตาทุกคนที่กำลังจ้องแวดล้อมอยู่ไล่ลำดับไปทีละคนแล้วร่างอันระงงานงามสมส่วนนั้นก็ขยับกายดึงตัวขึ้นมานั่งอย่างรวดเร็วระพินไพรวันจับไหล่ทั้งสองไว้ บังคับให้ยุติการเคลื่อนไหวต่อไปทั้งมวลลงเพียงแค่นั้นตาต่อตาประสานกันนิ่งแง่าสายเขาเอิอนขานนามนั้นด้วยเสียงเน้นหนักชัดเจนเหมือนจะให้กระแสเสียงเรียกเข้าไปปลุกประสาทแห่งการรับรู้ครับผู้กอกผู้เพิ่งฟื้นขานตอบชัดเจนเช่นกัน สีหน้าสัมผัสกับความรู้สึกเป็นครั้งแรกเป็นความรู้สึกอันมึนงงสับสนพิศวงประหลาดใจปะบนกันไปหมดกระพริบตาทีหันไปรอบๆเกิดอะไรขึ้นครับผมเป็นอะไรไปและนี่เราอยู่ที่ไหนครับจอมพรานยิ้มเคร่งขรึมตบที่ไหลอันหนากว้างนั้นหนักหนวง ก็แกคิดว่าแกเป็นอะไรล่ะแง่ซ า, ายแง่ซ า, ายยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้าแวาตาทั้งคู่เต็มไปได้วยความโงนชะงผมไม่ทราบครับผมรู้สึกคล้ายๆกับว่าได้นอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ใช่แกนอนหลับหลับไปนานทีเดียวจนพวกเราคิดว่าแกจะไม่ตื่นอีกแล้วตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้าง จอมพระเนจรยิ่งมีอาการงงจัดขยับเคลื่อนไหวเหมือนจะทดสอบสำรวจตัวเองทำท่าเหมือนจะพยุงกายขึ้นยืนแต่พรานใหญ่ยังกดไหล่ไว้เช่นนั้นรู้สึกว่ากำลังของผมลดลงเวียนหัวงงผมไม่สบายหมดสติไปกระมังครับผู้กองแกจะเป็นอะไรไปก็ตามแงซาย แต่ตอนนี้แกปลอดภัยแล้วล่ะแล้วเขาก็หันไปทางหมอดารินผู้กำลังนิ่งงันอยู่ด้วยความตื้นตันควรจะเขาพักต่อสักระยะหนึ่งใช่ไม่ใช่เหรอครับคุณหญิงแน่นอนไม่ควรจะรบกวนอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้เราต้องการดูเพียงว่าเขาคืนสติมาเป็นตัวของตัวเองแล้วหรือไม่เท่านั้นหมอดารินตอบโดยเร็ว แล้วเอื้อมมือมาแตะไหล่จอมพระเนจรกล่าวน้ำเสียงอ่อนโยนแงซ า, ายเธอไม่สบายมากนะเพิ่งจะได้สติขึ้นมาฉันต้องการให้เธอนอนพักต่อไปก่อนอย่าเพิ่งพูดหรือเคลื่อนไหวอะไรในขณะนี้ก่อนทั้งสิ้นนะนอนลงนี่เป็นคำสั่งแงาสายเอนกายลงนอนตามเดิมแต่ตายังเปิดโพลงอยู่เช่นนั้นในลักษณะ สมองเริ่มใช้ความคิดมองหน้าบุคคลที่มุงแวดล้อมอยู่ในขณะ น, นี้ผ่านไปตามลำดับเหมือนจะค้นหาคำตอบหรือความจริงที่แอบแฝงอยู่จากประกายตาคมวาวใหญ่งามคู่นั้นแม้จะอิดโรอยอยู่บ้างแต่ทุกคนก็แลเห็นรัศมีแห่งความสำนึกและสติสัมปชัญญะที่กลับคืนมาครบถ้วน ขณะที่ดารินวรารริศหันไปยุ่งอยู่กับกระเป๋าเครื่องยาของหล่อนเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไประพินไพรวันก็ปลีกตัวออกมาจากคนเจ็บอย่างหมดสิ้นวิตกกังวลทั้งมวลปล่อยหน้าที่การรักษาพยาบาลให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแพทย์สาวและคณะนายจ้างตามลำพังตนเองมาหลบพักนอนเงียบๆในซอกหินมุมสงบ รู้สึกโปร่งโล่งสะดวกใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ระจนประจันกับอาถรรพ์ทั้งมวลของนิทรานครเป็นต้นมาระพินหลับไปนานสักเท่าใดไม่ทราบสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะรู้สึกว่าหมวกที่ครอบปิดหน้าไว้ถูกมือหนึ่งดึงเปิดออกพอลืมตาขึ้นก็มองเห็นราชสกุลสาวนั่งอยู่บนแง่หินห่างตัวออกไปเล็กน้อย กำลังมองมาอยู่ก่อนแล้วในมือของหล่อนยังถือหมวกของเขาที่ช่วยออกไปจากการหลบมาคลุมหน้าไวขณะนั้นแดดยามเย็นทอแสงสีโกเมนอาประยับไปตลอดทั่วโคตเขินเนินสไลระหนึ่งจะฉาบย้อมภูมิภาครอบด้านให้สุกปลังด้วยรัศมีงดงามประการตารุงตะวันอันเพลิดพลายยามใกล้อัดสดงคตจับมาที่ใบหน้านั้น ทำให้แลประดุดเทพพธิดาไพรที่ปรากฏโฉมขึ้นในแสงสนธยายา่ำสว่างสดใสเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแพกไปกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นเมื่อเขาผุดลุกขึ้นนั่งหล่อนโยนหมวกคืนมาให้ที่ตักไม่ตั้งใจจะปลุกรอกเห็นนอนนิ่งไปก็เปิดหมวกออกดูหน้าหน่อยเท่านั้นนี่นอนหลับในเวลาบ่ายติดต่อกับตอนเย็นใกล้คนะ่าน่ะไม่ดีนะ ตื่นขึ้นมาจะปวดหัวกระแสะเสียงสำเนียงนั้นอ่อนนุ่มพร้อมกับยิ้มน้อยๆที่ระบายอยู่ที่เรียวปากเขาไม่ได้เห็นความงามอันอ่อนหวานเช่นนี้มานานแล้วมันเพลียนะครับก็เลยเผลอหลับไปหน่อยจอมพรานพูดเบาๆสังเกตดูแสงตะวันเหนือแนวยอดไม้แล้วเหลียวไปรอบๆตัวเห็นสภาพของแคมป์ที่พักอยู่ในลักษณะปกติ พวกพลานพื้นเมืองกำลังสาละวนอยู่กับการขนฟืนหุงหาย่างเนื้อเชษดาเดินเร่สั่งงานชา ย, ยันกมาเรียนั่งคุยกันอยู่ ใ, นในกล้กับบริเวณอันเป็นที่นอนของแง่ทรายแง่ทรายเป็นยังไงบ้างครับคุณหญิงก็ <c oughs> คงจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกครั้งในตอนค่ำๆและตื่นในครั้งนี้ก็เชื่อว่าอาการคงดีขึ้นมากทีเดียวปลอดภัยแล้ว สเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซยาของสั่งปานีศักดิ์สิทธิ์จริงๆไม่มีอาการแพร้หรืออาการแทรกแซงอย่างอื่นนอกจากจะมีไข้นิดหน่อยเท่านั้นครั้งแรกในฉันนึกว่าแม้เขาจะรอดชีวิตมาได้ก็จริงแต่อาการจะต้องนอนรักษากันอีกหลายวันแต่นี่เห็นจะไม่ต้องเลยนะช่างเป็นเรื่องปาฏิหาริย์แท้ๆผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ที่คุณหญิงได้ชีวิตองครักพิเศษประจำตัวกลับคืนมาเขาบอกเรียบเรียบสีหน้าไม่ได้แสดงความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นขยับตัวลุกขึ้นยืนบิดกายจนกระดูกลั่นกรอบแกรบและปิดปากเหาดารินทอดสายตาจับนิ่งมาเลิกคิ้วข้างหนึ่งขึ้นน้อยๆถามมาเหมือนจะตัดพ่อว่าทำไมจะต้องมาแสดงความยินดีกับฉันด้วย การรอดตายของแง่ทรายนะ่ะไม่ใช่สิ่งที่พวกเราควรจะพอใจยินดีเท่าๆกันหมดทุกคนหรอกเหลอหรือว่าการทำให้แง่ทรายรอดชีวิตมาได้ครั้งนี้คุณกระทำลงไปก็เพียงเพื่อฉันพอใจอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่ตัวคุณนะ่ะไม่ได้สนใจใยดีอะไรเลยแหมว่าผมจะเรื่อยรบพินบนยิ้มอย่างไม่ถือเป็นอารม์เกี่ยวกับแง่ทรายนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะดูคุณหญิงคอยจับไหวจับพริบ จับถ้อยคำจะเอาผิดกับผมอยู่ร่ำไปเชอะคุณก็รู้อยู่แล้วนะว่าฉันแคร์คุณมากในฐานะที่คุณเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในคณะเดินทางของเราเมื่อฉันมีความเมตตากระแงสายยังไงฉันก็อยากจะให้คุณมีความรู้สึกเช่นนั้นด้วยแต่สังเกตดูแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแม่น่าฉาดทั้งคุณและแง่สาย จะเคยร่วมมือให้การช่วยเหลือกันและกันอย่างกลมเกลียวเช่นไรก็ตามแต่ฉันก็ดูออกนะว่าในส่วนลึกภายในนะ่ดูจะต้องกินเหลี่ยมกินคูหักเชิงกันอยู่ตลอดเวลาส่วนมากนะคุณเป็นฝ่ายเขม่นแง่ทรายทุกทีโดยมองเขาในแง่ร้ายอยู่เสมออาจเป็นไปได้ในข้อที่ว่าไม่ว่าจะในด้านฝีมือหรือความรอบรู้ในเรื่องป่าทุกชนิดแง่ซ้ายเป็นคนเดียว ที่ตามทันคุณอยู่ตลอดเวลามิหนำซ้ำยังแกล้งซ่อนคมปิดบังซะภายใต้สีหน้าอาการอันเซอร์ซ่าทอมตนก็ยังไม่พอใจอีกเหรอที่เขาไ้การคารวะยกย่องยอมให้คุณใหญ่อยู่คนเดียวหวังว่าคุณคงไม่โกรธที่ฉันพูดตรงๆอย่างนี้นะจอมพรานหัวเราะกว้างๆก้มศรีรษะนิดนึงอ๋อไม่โกรธหรอกครับ ก็แต่ไหนแต่ไรมาแล้วเหมือนกันที่ผมจะต้องทนฟังต่อถ้อยคําเน็บแนมประชดประชันว่าตล่าเสียดสีของคุณหญิงมาโดยตลอดชนิดที่จะเอามาเป็นอารมณ์ไม่ได้สรุปในคำพูดของคุณหญิงเมื่อกี้นี้ก็คือคุณหญิงต่าวหาว่าผมชิงชงังฤษิยาแง่ทรายเพราะฝีมือของเขาเสมอทัดเทียมหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเหนือกว่าผมซะอีกฉันก็ไม่ได้หมายความถึงเพียงนั้นหรอก หลอนปฏิเสธโดยเร็วสีหน้ากังวลฉันหมายความแต่เพียงว่าคุณน่ะระแวงแคลงใจแงซ า, ายโดยไม่ยอมเชื่อสนิสทสักทีว่าที่เขามาร่วมกับเราเนะ่ะเป็นไปโดยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ได้แอบซ่อนพิษภัยใดๆไว้เบื้องหลังแล้วก็คอมเมนตในข้อที่แงซ า, ายนะ่ะถอมตนซ่อนคมที่รู้ทันคุณเอาไว้ทั้งๆที่ ควรจะเปิดเผยออกมาซะก่อนเวลาเพื่อแผนการที่ดีของเราแต่แง่ส า, ายจะเปิดเผยหรือลงมือช่วยเหลือในวินาทีสุดท้ายทุกครั้งซึ่งข้อนี้ฉันก็เห็นจริงอยู่เหมือนกันแต่เราควรให้อภัยโดยมองในแง่ดีว่าเขาไม่ต้องการจะโ อ, อ้อวดตัวหรือทำอะไรเป็นการหักหน้าคุณคิดเช่งนี้ไม่ได้หรอเรื่องแง่ส า, ายนี่ ระหว่างผมกับคุณหญิงขืนพูดกันไปก็ไม่มีวันจะจบสิ้นหรอกทั้งหลายแหละนะ่น่ะมันก็อยู่ที่คุณหญิงไม่เข้าใจผมเองต่างหากเพราะฉะนั้นผมจะไม่ขอพูดอะไรอีกล่ะหญิงสาวถอนใจเบาๆเอาเถอะถึงยังไงฉันก็อยากขอบใจคุณข้อไหนครับแล้วเรื่องอะไรไม่ทราบพรานใหญ่ทำหน้าตื่น ก็ในเรื่องที่คุณยังอุตสาหหาทางช่วยชีวิตเขาไว้ได้สาเร็จนะสโิโอ้อีกฝ่ายหนึ่งครางแล้วยักไหลคุณหญิงครับโดยความสัตย์จริงนะครับผมหาทางกู้ชีวิตไอ้หมอนั่นขึ้นมาในครั้งนี้ไม่ได้หวังในความขอบใจของคุณหญิงสักนิดเดียวผมถือว่าชีวิตของพวกเราทุกคนที่ร่วมทางกันมาในครั้งนี้นะล้วนมีความสําคัญทั้งสิน้น เป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องหาทางช่วยกันจนสุดใจขาดดิ้นทีเดียวล่ะครับอีกประการหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบพิทักษ์ความปลอดภัยให้กับทุกคนในคณะน่ะดูสิหญิงสาวติงเสียงต่ำๆในลําคอมองเขาด้วยสีหน้าเงาตาวต่อไปแผ่วเบาเหมือนเสียงบน่นทันท่หญิงแบบเดิมกับฉันอีกแล้ว รับพินฉันไม่อยากจะเห็นคำพูดและกิริยาการเช่นนี้จากคุณเลยมันเหมือนกับสมัยที่เราเจอกันครั้งแรกนั่นแหละเราจะตั้งต้นเป็นคำ ม, มุ่นกับปูนกันอีกเหรอสำหรับฉันนะเบื่อนะคิดถึงความดีของคุณคิดถึงอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างเสียงของหลอนแผ่วหายไปหลบตาลงต่ำเอากิ่งไม้เล็กๆเขี่ยดินแล้วถอนใจ ระพินไพรวันก็พลันรู้สึกสำนึกตนในบัดนั้นเขาอยากจะลงนั่งคุกเข่าตรงหน้าจับมือของหล่อนประคองแนบแก้มกล่าวคำขอโทษและสัญญาว่าจะไม่แสดงกิริยาอาการเช่นนี้อีกภาพที่เคยหลงป่าระหุระหืนอยู่ด้วยกันตามลำพงังมันประทับแน่นตราตรึงอยู่ในความทรงจำเขาแจ่มกระจ่างชัดเจนอยู่ทุกขณะ และคงจะประทับอยู่เช่นนี้ตลอดไปชั่วชีวิตดับไม่ว่าต่างคนต่างจะแยกกันไปสารทิศใดแต่เขาก็ไม่อาจกระทําอย่างที่ใจคิดรัฐนานั้นได้ท่ามกลางสายตารู้เห็นของหมู่คณะทุกคนในขณะนี้ผมขอไปครับคุณหญิงยังมากที่สุดเขาก็กล่าวมาได้แค่นั้นเพว่ามันเป็นแก่นแท้จากใจจริง ส่อชัดโดยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกังวลลึกฉันก็อยากจะขอโทษคุณด้วยนะหล่อนกล่าวน้ำเสียงเนิบต่อไปตายังไม่มองสบอยากจะขอโทษในสิ่งที่ฉันรุนแรงต่อคุณตอนนั้นนะฉันคิดว่าแง่ทายคงหมดหวังแน่แล้วจอมพรานสั่นศีสันแช่มช้าอย่า ก, กังวลไปเลยครับในข้อนั้น ผมไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นความจริงนะมันเป็นความผิดของผมเองครับผมยอมรับในข้อนี้ถ้าผมเชื่อคุณหญิงออกไปตามแง่ไ า, าสซกก่อนสว่างแง่าซก็คงไม่ต้องเคราะร้ายถึงเพียงนี้หรอกแต่การที่ผมไม่ออกไปตามเชในตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังนะครับผมไม่ได้คิดจะแกล้งปล่อยให้แง่ายได้รับอันตรายเปล่าทั้งนั้นนะครับ ผมมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าแงาทายคงไม่เป็นอะไรถ้าเขาไปนั่งหลับอยู่ที่ใต้ต้นไม้นั้นจริงไม่ได้คิดไปถึงเรื่องที่เกิดจะเกิดขึ้นแต่ถึงยังไงผมก็ยังแก้ไขได้ทันเวลาหล่อนเงยหน้าสบตาเขาอีกครั้งยิ้มให้ประกายชื่นชมสาบ พ, พราวก็ข้อนี้น่ะสิฉันถึงนับถือคุณอย่างยิ่งไง คุณสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะของเราตกไปทุกเปล่าทีเดียวพี่ใหญ่ก็ใช้ ย, ยันนะเขาเชื่อมือคุณอยู่เต็มที่แล้วถึงได้เฉยๆอยู่ในอาการสงบมีชั้นโวยวายตีตนไปก่อน่ายเพียงคนเดียวเท่านั้นระพินหัวเราะเรื่อยๆในลำคอตอนนั้นคุณหญิงมีอาการเหมือนอยากจะฆ่าผมจังนั้นแหละไม่ถึงอย่างนั้นหรอกกระพินแต่ฉันยอมรับนะว่าน้อยใจแล้วก็โกรธคุณมาก และถ้างแงซายเกิดพลาดพลั้งตายลงจริงๆในคราวนี้ฉันก็เสียดายน้ำใจที่เคยมีให้กับคุณใช่สิครับมันคงขาดสะบั้นลงในทันทีคุณหญิงคงจะเกลียดชังผมจนไม่อยากจะมองหน้าตลอดไปเพราะพิจารณาเห็นว่าผมเป็นคนใจดำอมม่หิตหรือร้ายกว่านั้นหาว่าผมมีแผนการที่จะปล่อยให้แงซายเป็นอันตรายถึงชีวิต อาจจะจริงนะดารินยอมรับทอดสายตาขึ้นไปจับอยู่ยอดหินซึ่งกำลังเล่นสีสันงดงามอยู่ด้วยแสงสายันเสียงนกยูงร้องอยู่อยู่บนยอดไม้สูงป่าฝั่งตรงข้ามกับสภาพป่าใกล้สุนทยาย่ำวันนี้จะมองทางไหนแช่มชื่นรื่นรมไปหมดธรรมชาติมันจะน่าพิสมัยได้เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนด้วย แงซ า, ายเป็นคนดีนี่พูดในทัศนาส่วนตัวของฉันนะสำหรับคุณจะมองเขาลึกซึ้งจนเห็นความน่าระแวงใดๆก็เป็นเรื่องของคุณแต่ฉันพูดอย่างทั่วๆวไปนะพวกเราทุกคนก็รักชอบเขาทั้งนั้นแม้แต่พวกพรานพื้นเมืองของคุณเองและแม้แต่ขยินถ้าเขาต้องตายไปก็เป็นเรื่องน่าเศร้าน่าเสียดายมาก ฉันคิดว่าเขามีประโยชน์ต่อคณะของเราที่สุดคนหนึ่งทั้งที่แล้วมาและต่อไปในอนาคตข้างหน้าฉันเห็นความกระตือรือร้นในการที่จะช่วยเขาของคุณน้อยไปหน่อยในระยะแรกแต่ฉันอาจดูผิดไปก็ได้เพราะคุณก็เป็นคนอย่างงั้นเองใจเย็นเก็บความรู้สึกได้ลึกแต่ก็จริงจังและมีสมรรถภาพในการกระทําทุกครั้งคุณรู้มาก่อนแล้วใช่ไหม ว่าสางปลานะ่ะเก่งในทางแก้พิษและมีทางจะช่วยแงซรายให้รอดได้คุณหญิงเองก็ควรรู้นี่ครับเพราะเมื่อคราวคุณชยันโดนตะขับดงเล่นงานเอาสไตล์ไปกว่าครึ่งตัวใครจะเป็นคนแก้ไขไว้ฉันคิดไปไม่ถึงเลยนะในตอนนั้นอะ่ะเพราะขนาดบุญคำเองก็ยังบอกว่าหมดหวังแล้วทำเอาฉันใจเสียหมด บุญคำนะแกไม่ใช่หมอแก้พิษนะครับแกจะรู้ได้ยังไงแล้วตอนนั้นผมก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะให้คำรับรองอะไรกับคุณหญิงได้ทั้งสิน้นก็อยากให้คุณหญิงเห็นกับตาดีกว่านะครับในช่วงเวลานั้นเชษฐาผู้กําลังยืนดูพวกพรานพื้นเมืองมุ่งทําอะไรกันอยู่เหลือบมาเห็นข้าวก็บุกมือเรียกพรานใหญ่ก็เดินตรงเข้าไปหา นักมนุษย์วิทยาสาวตามหลังมาด้วยพอเข้ามาถึงรพินพบกับความแปลกใจเล็กน้อยเสยเกิดและจันกำลังช่วยกันแล่เนื้อสดจากขาหลังซึ่งตัดมาทั้งทะโพกของอะไรชนิดหนึ่งทลกหนังออกเรียบร้อยแล้วลักษณะเหมือนกวางหรือฉะนั้นก็สมันมีส่วนเนื้อสันที่แสะออกมาเป็นแท่งและหัวใจกับตับ กองอยู่บนพื้นหินใกล้ๆซึ่งปูด้วยใบไม้สดพวกนั้นกำลังสุมไฟกองใหญ่เตรียมย่างส่วนอื่นๆของเจ้าสัตว์ที่กำลังจะเป็นอาหารตัวนั้นมองไม่เห็นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยก่อนที่เขาจะอ้าปากถามท่านหัวหน้าคณะก็บอกยิ้มๆมาก่อนว่าเราเพิ่งจะได้เนื้อสดมาเพิ่มเติมครั้งนี้เป็นครั้งแรกภายหลังที่ยุ่งอยู่กับเหตุการณ์ฉุกเฉินจะจน ไม่มีเวลาจะทำอย่างอื่นแม้แต่ในด้านสวัสดิการของท้องเอ๊ะไปยังไงมายังไงกันครับนี่ผมไม่ได้ยินเสียงปืนสักเปรี้ยอย่างเดียวนี่อย่าว่าแต่คุณเลยระพินผมเองก็ไม่ได้ยินเหมือนกันตอนที่คุณนอนหลับพวกนี้นะว่างๆไม่มีอะไรจะทำเสืีกับขยินเข้ามาขออนุญาตผมบอกว่าจะออกไปหาสเสบียงแถ ว, แถวใๆใกล้นี่ผมก็เลยเห็นดีด้วย อนุญาตให้ไปสองคนนั้นหายไปไม่ถึงชั่วโมงก็ช่วยกันแบกขากับเครื่องในที่ชำแหละเรียบร้อยอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละไม่ได้เสียลูกปืนเลยสักนัดปรากฏว่าเป็นเนื้อที่แย่งมาจากเสือกล่าวพลางเชษฐาก็หัวเราะขันขันเจ้าสองคนน่ะเขาบอกว่าเขาย่องกันไปทางทุ่งหญ้าหลังเขาลูกนี้ใจนะ่ะอยากจะได้กวางหรือวัวสักตัว พอดีพบกับเหตุการณ์ที่เป็นผลพลอยได้ไอ้ลายรุ่นหนุ่มสองตัวกำลังช่วยกันขยํำสมันอยู่ในดงหญ้าคาสด ส, ด, สดร้อนๆทีเดียวสองคนก็เลยช่วยกันโหตะเพิดไล่เสือมันก็เลยเพ่นหนีไปแบกกันมาทั้งตัวไม่ไหวก็เลยลอกหนังลากตอนเนื้อสันเครื่องในแล้วก็ขามาตะโพกนึงก่อนตอนนี้ขยินส่างปลากระตบุญคำสามคนกาลังทยอยไปเอามาอีก ไปนานแล้วลระเดี๋ยวคงมากันหรอกเห็นบอกว่าตัวขนาดเกือบเท่าวัวทีเดียวดูที่ขานั่นก็รู้รพินกวาดตาไปรอบๆ อ, อ, อีกครั้งก็พบว่าขยินส่างปาและบุญคำไม่ได้อยู่ที่พักด้วยเขาสอบถามเสรีสองสามคำก็ได้รับรายงานจากลูกน้องรุ่นหนุ่มของเขารงกับที่เชษดถาบอโชคดีครับเจ้าพวกนี้แต่ละคนหาอาหารเก่งๆทั้งนั้นแหละ มากันมันนะไม่ต้องกลัวอดหรอกอย่าว่าแต่มีปืนเลยต่อให้มือเปล่าๆมันก็ดดนดันไปจับนกจับหนูขุดตุนขุดบึ้งมาจนได้นะครับผมเองยังไม่ชำนาญถ้าพวกมันเลยธรรมชาติของป่าดงพงไพรนะ่ะเสี่ยมสอนมันแต่เกิดมาแล้วใช่ละครับแต่ฉันว่าไม่ยุติธรรมนะแล้วก็น่าละอายด้วยมีอย่างเหรอไปแย่งเนื้อมาจากเสือมันอุตสาลงทุนลงแรง แต่แล้วก็ถูกคนชุบมือเปิบแย่งมาซะดือด้อๆดารินขัดมาตามนิสัยเสยเงยหน้าขึ้นยิงฟันยิม้มแย่งเนื้อจากเสือสิดีนายหญิงไม่ต้องเหนื่อยแรงเสียลูกปืนเสยไม่ยิงเสือน่าดีเท่าไหร่แล้วนายหญิงไล่มันไปเฉยๆนายหญิงไม่ต้องห่วงหรอกอาหารของมันน่ะมีเยอะแยะมันไปดักจับอะไรเอาที่ไหนก็ได้ในป่าแถบนี้ มันช่วยข้าไว้ให้เราเราก็แค่ไปแบกมาเท่านั้นราชสกุลสาวคอนนิดหนึง่งเราวังเฮอะอ้ตอนย้อนกลับไปเอาอีกอ่ะมันจะดักขบหัวเอาถ้าขบก็ขบหัวลุงคําขบหัวขยินแล้วก็ไอสางปาเสยพูดอ่อยๆในลำคอแล้วหัวเราะคลิกคักกับเกิดและจัน ยาวหยอกสนทนากันไปพลางอย่างรา่าเริงสนุกสนานตามปราษาดารินตบหัวเจ้าเด็กหนุ่มลูกพายอย่างมันไสรักคนเอนดูแล้วเดินผ่ะไปยังที่นอนของแง่ทรายซึ่งมีชัยยันและมาเรียนั่งคุยกันอยู่เกี่ยวกับอาหารเราเห็นจะไม่ต้องอาธรเท่าไหร่นักรอกแต่เรากำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องเกลือขนาดเตรียมพร้อมกันมาเต็มที่แล้วนะเนี่ย มันก็ร่อยหรอลงไปทุกทีแล้วที่เหลืออยู่นะ่ะคงใช้ไปได้อีกไม่กี่วันเท่านั้นเชื้ถาปลารบขึ้นสําหรับผมน่ะไม่ห่วงในข้อนั้นหรอกครับพรานใหญ่ตอบอย่างสุภาพอ่อนโยนการรอนแรมบุกบันอยู่ในป่าระยะเวลาอันยาวนานนะ่ะผมห่วงเพียงสองอย่างเท่านั้นคือลูกปืนกับยารักษาโรคนอกนั้นนะ่ะเราพอจะแสวงเอาได้จากป่า เกลือก็เหมือนข้าวสานั่นแหละครับน้ำหนักมากกว่าซะอีกมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะบรรทุกกันมามากๆในภาวะที่ต้องจำกัดน้ำหนักเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปกังวลถึงเกลือสมุทรอยู่ไม่ได้และเมื่อความจำเป็นนั้นมาถึงจริงๆเราก็ต้องเอาเกลือของชาวดงมาใช้หาจากดินโป่งหรือแหล่งเกลือสินเทาที่มีอยู่ทั่วไปในป่า รสชาติมันสู้เกลือสมุทรไม่ได้แน่นอนแต่ก็มีคุณค่าพอขวดอดีต ท, ท่านทูตทหารบกพยักหน้าถูกละปัญหาเรื่องการดำรงชีพยอยู่ในป่าไม่มีอะไรที่เขาจะต้องวิตกวิจารไปมากนักปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของรพินไพรวันผู้ช่ำชองอยู่แล้วเมื่อภาวะจำเป็นนันนันมาถึงเมื่อไรยอมพรานกับทีกับทีมพรานพื้นเมือง ซึ่งแต่ละคนล้วนเข้าขั้นเซียนของเขาคงจะแก้ไขให้รู้ล่วงไปได้โดยไม่ยากเย็นอะไรนักอย่างเช่นที่ผ่านผ่านกันมาแล้วสำหรับเรื่องยารักษาโรคและเครื่องกระสุนอันเป็นอุปกรณ์ยังชีพอันจำเป็นขีดสุดในฐานะที่เชดถาเป็นแม่กองควบคุมคลังสัมภาระใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาก็ให้คำรับรองว่า เรื่องยากับลูกปืนก็เห็นจะพออุ่นใจได้นะผู้กองถ้าเราใช้เพียงในการป้องกันตัวหรือหาอาหารไปตามสภาพปกติแต่ถ้าเกิดจะต้องทำสงครามสู้รบแบบสมัยที่ประจันหน้ากระสังเขียวเมื่อไหรนะั้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆว่าแล้วราชสกุลหนุ่มใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าคณะก็เข้ามาโอบแขนรอบไหล่เขาอย่างรักสนิท ผมสบายใจจริงๆวันนี้อุปสรรคอันยิ่งใหญ่อีกเปล่าหนึ่งของเราลุล่วงไปด้วยดีละผ่านนิทรานครได้แง่ทรายก็กลับคืนมาเป็นของเราตามเดิมในสภาพที่เชื่อว่าปลอดภัยเรียบร้อยเราเห็นจะวางแผนเดินทางต่อไปได้แล้วละครับผมก็คิดเช่นนั้นครับพรุ่งนี้เราจะพักผ่อนอยู่ที่นี่อีกวันหนึ่งเพื่อดูอาการของแง่ทรายด้วย และถ้าทุกอย่างเป็นปกติดีอย่างที่คาดไว้วันมะรืนเราจะออกเดินทางทันทีครับตอนที่คุณนอนหลับอยู่นะผมก็ชชยันลองเอาแผนที่ออกดูพยายามเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่เราอยู่กันเดี๋ยวนี้แต่ก็งงไปหมดจับอะไรไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าตอนที่เราเริ่มผ่านเข้านิทรานครมาจนกระทั่งบัตรนี้เราผิดเส้นทางเดิมออกไปทางทิศใด สักเท่าไหร่แล้วพานใหญ่หัวเราะเบาๆแผนที่ที่เราใช้เป็นเครื่องนำทางฉบับนี้มันดูยากครับมันไม่ใช่แผนที่ซึ่งทำไว้ตามหลักภูมิศาสตร์แท้จริงแต่เป็นไปในลักษณะลายแทยยงซะมากกว่าผมเองก็สารภาพนะครับว่าหนักใจอยู่เหมือนกันมีรายละเอียดพิสดารอะไรอีกหลายอย่างซึ่งผมยังไม่ได้อธิบายให้คุณชายทราบ เกี่ยวกับการชี้บอกเส้นทางของลายแทงของมังมหานรธาฉบับนี้เพราะเห็นว่าเรายังเดินทางไปไม่ถึงตำแหน่งสำคัญนั้นๆเท่าที่ระบุไว้เอาเป็นว่าถ้าถึงเมื่อไหร่ก็จะบอกเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลแล้วก็จันท ร, รคติ ด, ด้วยถ้าผิดจากวันเวลาตามที่ลายแทงบ่งไว้เราจะหาทางตัดขึ้นเทือกเขาพระศิวะไม่ถูกครับเชิถาทำท่าง ง, ง จ้องหน้าเขาหมายความว่ายังไงรพินที่ว่าเกี่ยวกับฤดูกาลและจันทรคตินะ่ะผมไม่เข้าใจรพินไทรวันเริ่มมีอาการกังวลปรากฏเป็นริ้วรอยขึ้นเอาเถะครับหลังเวลาอาหารค่ำนี้เราจะเอาแผนที่ออกมาดูกันอีกทีแล้วผมจะอธิบายให้ทราบมันมีอะไรซับซ้อนอยู่มากทีเดียวแล้วครับ ลักษณะคล้ายๆใบขวุยหรือปริศนาที่ทิ้งไว้บุคคลเบื้องหลังซึ่งจะมาตามลายแทงนี่ต้องคบคิดตีปัญหาด้วยครับแล้วเขาก็หัวเราะออกมาด้วยอาการฝืนๆถอนใจนิดหนึ่งจนกระทั่งบัดนี้นะครับผมก็ยังนึกไม่ออกว่าเหตุใดผมจึงเสียสติยอมรับจ้างนำทางมาตามลายแทงอันเลื่อนลอยดูพิลึกกึกกือ ยิ่งกว่าเรื่องราวในนิยายฉบับนี้บางทีมันอาจจะเป็นสัญญาเกียรติยศตามประษาความคิดงงๆของผมก็ได้คือตอนนั้นนะผมอยากจะได้เงินค่าจ้างในจำนวนที่ผมพิจารณาแล้วว่าสูงพังปากบอกราคาออกไปก็ไม่คิดว่าคุณชายจะตกลงอย่างง่ายดายเช่นนั้นพอคุณชายบอกตกลงผมก็รู้สึกใจหายตัวเย็นไม่ใช่ดีใจหรอกนะครับ จะตกใจซะมากกว่าแต่เมื่อพูดออกไปแล้วก็ต้องยอมปฏิบัติตามคำพูดนี่คือต้นเหตุของการยอมนำทางครั้งนี้ผมก็ยังไม่เชื่อในลายแทงหรือแผนที่ฉบับนี้อยู่นั่นน่ะนี่ต่อหน้าคุณชายผู้มีวิจารณญาณอันลึกซึง้งมีความหนักแน่นมั่นคงและสุ ข, ขุมรอบคอบที่สุดผมจึงกล้าพูดความจริงข้อนี้นะครับถ้าต่อหน้าคุณหญิงดารินหรือคุณชา ย, ยัน ผมก็จะไม่พูดเป็นนันขัดทั้งสองท่านนั้นอาจจะขวัญเสียแล้วอาจจะพิจารณาว่าผมน่ะมีเล่เหลี่ยมกลโกลงอะไรแอบแฝงอยู่เพราะทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำไมผมถึงยอมรับนำทางมาอดีตท่านทูตทหารบุกเชื้อสายราชสกุลยิ้มอย่างเยือกเย็นสายตาที่แลนิง่งมายังจอมพรานเต็ ม, มด้วยความปราณีและ ว, วางใจสนิท ระผินน้ำเสียงนั้นกังวานลึกผมเข้าใจความรู้สึกภายในของคุณดีมาแต่ต้นและไหนๆเราก็ได้ร่วมหัวจมท้ายกันมาแล้วกว่าครึ่งทางตายหลายครั้งแล้วเกิดหลายครั้งมาด้วยกันจนกระทั่งความหมายของนายจ้างนะมันไม่ได้เหลืออะไรอยู่อีกเลยนอกจากสายโซ่สัมพันธ์ทางใจของเราเท่านั้นคุณทิ้งเราไม่ได้ เท่าๆกับที่เราก็สัญญาคุณอย่างแน่นแฟน้นถึงน้อยกระชัยันก็เหมือนกันความเป็นผู้เยาวของบุคคลทั้งสองอาจมีอะไรกระทบกระทั่งคุณบ้างแต่ในด้านความเชื่อถือศรัทธาต่อคุณและการที่ยอมรับรู้ยอมเข้าใจในแกนแท้ของการเดินทางครั้งนี้ผมขอรับรองว่าทั้งสองคนนั้นมีอยู่แล้วอย่างเต็มที่พวกเราไม่มีสิทธิ ในการจะพิจารณาคุณในแง่ร้ายเลยเพราะการเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นโดยฝ่ายเราไปขอร้องอ้อนวอนคุณเองทั้งๆ ท, ที่คุณก็ไม่เต็มใจนักแล้วก็ได้ห้ามปราบเราไว้ก่อนแล้วแต่เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะมาให้ได้ไม่ได้มาด้วยความโลภอยากจะได้สมบัติแต่มาตามหาคนคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายพี่ชายและเพื่อนรักของเรา ซึ่งาสาบศูนย์ไปในเส้นทางสายนี้สัญญาไม่ได้บังคับไว้ด้วยว่าคุณจะต้องนำตามหาคนคนนั้นจนพบเพราะจะพบหรือไม่น่ะมันก็สุดตะเวนแต่กรรมเราเพียงแต่ให้คุณนำทางเราไปในวิถีที่คุณเชื่อว่าผู้าสาบศูนย์จะเดินล่วงหน้าไปก่อนเท่านั้นและโดยเส้นทางนี้ไม่ว่ามันจะข้ามขอบฟ้าป่าหิมพาน ไปถึงสวรรค์หรือนรกชั้นไหนเราไม่ปลารมเป็นหรือตายรอดชีวิตกลับไปหรือไม่ไม่ต้องคํานึงถึงถ้าคุณว่าตัวเองเสียสติในการรับนําทางครั้งนี้พวกเรายิ่งเสียสติไปกว่าคุณซะอีกเพราะเราเป็นฝ่ายขอร้องว่าจ้างให้คุณนําทางมาโดยมีสังหรณ์ว่าเราควรจะได้ตัวอนุชากลับคืน เท่าๆกับเชื่อถือไว้วางใจในตัวคุณอย่างเต็มที่หลวมตัวเข้ามาถึงเพียงนี้แล้วเพราะฉะนั้นถึงไหนถึงกันให้มันรู้ไปว่ามันเป็นความบ้าครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราและมันก็เป็นวาระสำคัญวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยเมื่อลายแทงชีไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นมันมีปริศนาลับลมซ่อนเงื่อนยังไง ก็ช่วยกันพิจารณาคบคิดแก้ไขผมกล้าที่จะพูดด้วยความภาคภูมิใจได้ว่าไม่มีทีมนักสำรวจป่าทีมใดจะสามารถรวมบุคคลชั้นยอดในสาขาวิชาการต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือบุกเบิกได้มากไปกว่าเราอีกแล้วเรามีกันเพียงแค่สิบสองคนก็จริงทว่าแต่ละคนล้วนเป็นผู้สามารถชนานาญการพิเศษ ในวิชาเฉพาะด้านทั้งสิ้นสิบเอ็ดคนไม่รู้และอับจนอีกคนหนึ่งก็ยังรู้และแก้ไขช่วยเหลือกันได้และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่เช่นนี้มาตลอดมันเปรียบเสมือนว่าเรามีมีดคมกริบอยู่สิบสองเล่มที่จะใช้เป็นเครื่องมือถากถางฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงให้รู้ล่วงไปได้ผมสบายใจที่สุดแล้วและก็ไม่มีอะไรที่จะต้องท่านพึง ย่อท้อเลยจนนิดเดียวกราบเท่าที่เรายังพร้อมหน้ากันอยู่ทั้งสิบสองชีวิตครบทีมช่นนี้เนื้อย่างกำลังส่งกลิ่นหอมหวนซุปเนื้อสันเขียวรวมกับตั บ, ตบก็กำลังเดือดพล่านอยู่ในหม้อสนามและปล้องไม้ไผ่ขนาดใหญ่ซึ่งตัดมาแทนภาชนะในการหุงต้มความมืดก็คลืบคลานเข้ามาปกคลุมไปทั่วทุกหนทุกแห่ง นอกจากแสงไฟลุกโชชคที่ก่อไปรอบด้านทั้งไฟผิงไฟยามและไฟหุงหาแงซ า, ายรู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกครั้งอาการยังซึมซึม ง, งงงไม่เข้าใจต่อเหตุการณ์และยังไม่อาจลำดับภาพใดๆไ ด, ได้หมอดารินปลุกให้ลุกขึ้นมากินซุปเป็นมื้อแรกยังไม่ให้ใครพูดจาซักถามใดๆเป็นการรบกวนคนที่เพิ่งจะคืนชีพขึ้นมาทั้งสิ้น นอกจากตัวหล่อนเองจะตรวจและสอบถามเฉพาะอาการของคนเจ็บเท่านั้นแล้วก็ให้ยานอนหลับเพื่อให้พักผ่อนต่อไปอีกอาการเป็นที่พอใจแต่ตอนนี้ฉันต้องการให้คบพักให้มากที่สุดหล่อนบอกกับทุกคนขณะที่ร่วมวงอาหารค่ำแต่ในขณะนั้นเองพอแทะเนื้อย่างเข้าไปคําแรกหล่อนก็เงยหน้าขึ้นเหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้พูดลอยๆขึ้นว่า สามคนขยินจางปาและบุญคำกลับไปย่างเนี่ยคาพูดของราชส ก, กุลสาวผู้มินิสใสอันละเอียดรอบครอบและมักจะห่วงกังวลถึงใครต่อใครอยู่เสมอทำให้อีกหลายคนสะดุดความคิดต่างเหลียวไปรอบๆแล้วมองไปทางกลุ่มพรานพื้นเมืองที่จับกลุ่มสนทนากันไปพลางกินอาหารห่างออกไปอีกวงหนึ่งก็เห็นมีอยู่จานวนสามคนเช่นเดิม คือเกิดจันร์แล้วก็เสยเออจริงด้วยมืดค่ำแล้วนี่ทำไมถึงยังไม่มากันอีกแล้วเนี่ยเชษดทาว่าปรเดี๋ยวก็ผูกกันมาเองแล้วครับไม่ต้องหวงรอกคงจะเสียเวลาตอนแบกหามลอกหนังคนสามคนสมันขนาดใหญ่ทั้งตัวเห็นจะแบกกันหลังแอนทีเดียวนิสัยของเจ้าพวกนี้นะไม่ชอบทิ้งเนื้อเสเปล่า แล้วก็ขี้เกียจเดินหลายเที่ยวครับพ่านใหญ่ตัดกังวลของนายจ้างด้วยคำพูดเรื่อยเรียบไม่มีท่าสนใจอะไรของเขาช ย, ยันผู้กำลังจะอ้าปากร้องเรียกเสยเข้ามาสอบถามเพราะเป็นคนรู้เห็นเหตุการณ์และรู้ระยะทางดีเพราะเป็นคู่แรกที่ไปกับขยินก็เลยพลอยเลิกสนใจไปด้วยมิดารินคนเดียวเท่านั้นหล่อนไม่ปลอดโปร่งใจนักที่มืดสนิทลงแล้ว สามคนนั่นยังไม่กลับมาถึงที่พักไปกันตั้งนานเลยนะสองชั่วโมงกว่าเห็นจะได้ควรจะกลับมาได้แล้วค้นมาได้เท่าไหร่ก็น่าจะเอามาแค่นั้นนะไม่น่าจะเสียเวลาโลภมากอยู่เลยหลอนบ่นอยู่คนเดียวแล้วก็เงียบไปเมื่อไม่มีใครพูดต่อในเรื่องนี้นอกจากจะหันไปสนทนาถึงเรื่องอื่นๆเะครูใหญ่ต่อมานั่นเอง ระหว่างยังกินอาหารและพูดคุยกันอยู่ทุกคนในแคมป์ก็ชะ ง, งักข้อสนทนาลงอย่างกะทันหันมองหน้ากันเงียบๆ เ, เสียงปืนนัดหนึ่งแว่วตามลมมาในความเงียบสงัดของราวป่ายามคำ่ำมันเป็นเสียงดังโค่งโคลงล้งลวมๆซึ่งหูอันชำนาญของทุกคนพอจะฟังออกว่ามันเป็นลูกซองดังมาจากทางด้านใต้ลมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรจะห่างออกไปนัก ไอ้ขยินแน่สัตว์อะไรเขาให้อีกละโลภมากไอ้นี่เนื้อตัวเดียวก็ยังขนไม่ไหวอยู่แล้วยังจะหาเรื่องให้พวกเราเดือดร้อนต้องไปช่วยมันแบกมาอีกเสียงใครคนหนึ่งในกลุ่มสามคนของพรานพื้นเมืองร้องขึ้นอย่างหัวเสียในกลุ่มนายจ้างทุกคนเงียหูแล้วชำเลืองไปทางพรานใหญ่เป็นตาเดียวราวกับจะนัดกันไว้ ก็เห็นก็สนใจกับเนื้ อ, อย่างเสียบไม้ในมือด้วยอาการเยือกเย็นเป็นปกติใจต่อมานั่นเองกระสุนลูกสองก็ระเบิดดังจางๆมาอีกสองนัดซ้อนและตามติดด้วยเสียงแหลมๆหนักแน่นของจุด3 7็หแมกนัมซึ่งแน่ละถ้าไม่ใช่จากบุญคำก็ส่่งตาเพราะเป็นไรเฟิลประจำมือของคนทั้งสองอยู่คนละกระบอกที่ติดตัวไปด้วย หรือมิฉะนั้นก็ทั้งสองคนเลยทีเดียวไม่ดังเพียงนัดเดียวแต่รัวที่ยิบสับสนไปหมดจนแยกไม่ออกมันดังสะท้อนซ่าได้ยินอยู่เพียงปลายปลายเสียงเพราะลมหวนหอบเอาไปหมดฮ้ยชายยันร้องอะไรออกมาคำานึงในลำคอเทถานั่งนิ่งทรงตัวตรงหูพึงในขณะที่ดารินกับมาเรียวางอาหารในมือลงทันทีเสียงักจะไม่ค่อยดีฮะ สันโวก็หรือเกินนี่ยิ่งอะไรกันเชษถาพูดต่ำๆในลำคอขมวดคิ้วคงจะล่อกระทิงกันเข้ากระมังครับหรือไม่ก็ควายป่านัดเดียวไม่อยู่ก็เลยต้องช่วยกันซ้ำเดี๋ยวก็รู้ข่าวเองไม่ห่างออกไปเท่าไรหรอกครับใกล้ๆนี่เองแต่มันอยู่ใต้ลมเสียงปืนเลยฟังเหมือนห่างมากจอมพลานตอบด้วยอาการใจเย็นเช่นเดิม ไม่กระตือรือร้นตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นพวกร้านพื้นเมืองของเขาก็เช่นกันไม่มีใครสะดุ้งสะเทือนหรือสนใจอะไรนักแล้วความเงียบก็ย่างกลายเข้ามาตามเดิมเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยปริศนาให้ทุกคนเริ่มอึดอัดกระสับกระส่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนายจ้างดารินชักจะกลืนอาหารไม่สะดวกนักเริ่มจะรู้สึกอิ่มขึ้นมาทันใด คันปากคันใจอยู่ยิบยิบอยากจะเอ่ยคำอันเป็นความรู้สึกภายในขณะนี้ออกมาแต่มาคิดได้ว่าตลอดเวลาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตนเองมักจะตกเป็นผู้ตื่นระหนกตีโพยตีพายเกินกว่าเหตุการณ์อยู่เสมอจึงสู้ระงับนิ่งซะทั้งทั้งที่ใจไม่สบายยังไงบอกไม่ถูกชำเลืองดูหน้าผู้ร่วมวงทุกคนก็เห็นแววกังวลบังเกิดขึ้นกับเชษ ฐ, ฐาและชัยยาเช่นกัน ส่วนมาเรียนน่ะดูไม่ออกเพราะจัดอยู่ในประเภทคนเลือดร้อนเฉพาะด้านเพศเท่านั้นส่วนในด้านอื่นๆแล้วเลือดเย็นพอๆกับพรพินไพรวันเช่นกันสำหรับเชษฐากระชยยันนั้นดูถ้าจะร้อนใจสักเพียงใดก็ตามทั้งสองก็รักษาเหลี่ยมคูสงวนท่าทีเฉือยอยู่ปรับใดก็ตามเมื่อเห็นพรานใหญ่ไม่สำแดงปฏิกิริยาเช่นไรในที่สุด ทุกคนก็วางมือจักอาหารบัดนั้นทั้งหมดที่รวมอยู่ในแคมป์ก็สะดุ้งสุดตัวมีเสียงฝีเท้าวิ่งตะกุยดินตุบตับสนั่นเข้ามาก่อนและเสียงร้องตะโกนโวยวายก็ติดตามมาเป็นเสียงคนที่กำลังเหนื่อยแทบจะขาดใจจนแทบจะส่งภาษาบอกความกันไม่รู้เรื่องที่จับหางเสียงได้ก็รู้สึกเป็นคำเรียกพรานใหญ่ว่านายนายนายนายทีละลำละลักเท่านั้น คนเพ่นขึ้นยืนราวกันนัดไว้พร้อมกันระพินไทวันช้ากว่าราชสกุลสาวผู้มีสังหรณ์ร้ายและเตรียมตัวอยู่ก่อนแล้วหล่อนทลาปราดออกไปยังชายเนินของที่พักบัดนั่นเองใครต่อใครก็วิ่งพลูตามกันออกมาพร้อมกับไฟฉายหลายดวงที่สาดจ้าออกไปไอ้ขยินกับลุงคำห่อแนะม น, น่นเสียงเกิดเสยและจันตะโกนเียงแซ่ขึ้นเป็นเสียงเดียวกัน ท่ามกลางไฟฉายที่สาจ้าสวนออกไปทั้งหมดเห็นอดีตนายบ้านลมช้างกัดตาพรานเท่าบุญคำวิ่งล้มลุกคลุกครานไตเนินขึ้นมาอย่างไรลาตาลีตาเหลือกไม่คิดชีวิตมือถือปืนนอกจากนั้นไม่มีอะไรติดตัวอยู่ทั้งสิ้นไม่มีเนื้อที่ทุกคนหวังว่าจะได้เห็นแบกหามกันมามีแต่สีหน้าซึ่งซีดเผือดตาเหลือกลานแคบไม่เป็นมนุษย์เฮ้ hey! อะไรกันเกิดอะไรขึ้นพรานใหญ่ร้องลั่นขึ้นมาอย่างลืมตัวสีหน้าอาการของบุคคลทั้งสองในยามนี้ทำให้เขาตกใจเหลือที่จะกล่าวแล่นท่าลาเข้าไปรับบุญคำห่อแนบเข้ามาก่อนจับแขนเขาไว้เขย่าอยู่เร่าๆปากก็แหกร้องได้ยินเสียงนายนายอยู่เช่นนั้นส่วนเจ้าขยินก็โวยเป็นภาษาของมันรัวเป็นปืนกลฟังไม่สับอยู่นั่นเองลักษณะของคนทั้งสองอยู่ในอาการช็อก กระพินตบฉาดจนหน้าสะบัดหันไปพร้อมกับตะโกนในสติบุนคำก็ะไรขึ้นพูดช้าหายใจสักก่อนแล้วก็พูดตัวอะไรไม่รู้นายรูปร่างเหมือนช้างแต่ใหญ่กว่ามากเหลือเกินมีงาด้วยแต่งามันไม่ได้งอกมาจากโคนงวงนะงามันงอกมาจากใต้ปากงงลงดินเจอกันจนตัวเหลือเกินสวนทางดานนอกมาโขง มันไล่ยขยี้บุญคำกับไอขยินหนีรอบมาวุดหวิดแต่พูดขาดหายไปแค่นั้นด้วยฤทธิ์หอบจนตัวโยนมีอาการเหมือนจะเป็นลมระหว่างที่คนอื่นยืนตะลึงมาเรียฮอฟมันก็ปาดเข้าถึงตัวตะเบงเสียงกล้องสางตาอยู่ไหนตาเท่าสางตาของฉันทำไมมันไม่กลับมาด้วยสางตาหายก็ไปตางโขงของมัน บุญธรรมก็ขยินช่วยมาทันจริงๆมันโจรตัวตัวใครตัวมันไม่มีคำสักถามใดๆจากมาเรียอีกไม่มีแม้แต่จังหวะที่จะต้องเสียไปเพราะการตะลึงเพียงเสี้ยววินาทีแม่สาวพุ่งปราดไปที่ไรฟ้นจุดสามเจ็ดห้าประจำตัวที่วางพิงเราไว้ตบลูกเลื่อนขึ้นลำแล้วเลื่อนกลับมาราวกับลมพัด ใช้ยันอันนันไตรปฏิบัติการลงไปอย่างทันกับเวลาฉุกเฉินขีดสุดก่อนที่สมองจะทันสั่งการเสรียด้วยซ้ำเขาพุ่งเข้าสกัดมาเรียบวัดแขนแลขอ็อกคอยึดตัวไว้ได้ทันก่อนที่หลอนจะพุ่งลงจากที่พักอย่างบ้าคลาั่ง